นโมตัสสะพะโควะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพะโควะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะุทางธรรมังสังขังนัมัสสามิ สำนวนหนึ่งที่คนไทยเรารู้จักคุ้นเคยเปนน็นอย่งดีสำนวนนะคือคำว่าแพดเป็นซะชนะเป็นมาซึ่สำนวนนี้นี่ถ้าเราทัควาเข้าใจอ่าใขลควรสักหน่อยสมาีิว่าเป็นประโยชน์ เขาว่าแพ้เป็นพ้ะนี่คงไม่ได้หมายถึงการให้แพ้แต่ถ้าจะพูดให้ได้ใจความตรงตามหลักธรรมมากก็คือยอมยอมแพ้ยอมแพ้หรือว่ายอมยอมรับความใหแพ้ถึงจะเป็นพระถ้ายังไม่ยอมเนี่ยมันก็ยังเป็นพระไม่ได้ ถึงแ้ว่าจะเป็นผู้แพ้แล้วก็ตาม อ, อย่างที่เราเคยได้ยินว่าคนที่แพ้แล้วแต่ไม่ยอมรับคฟังให้แพหรือว่าไม่รู้จับแพท้งคนที่แพแล้วไม่รู้จักแพ้ยก็จะเป็นพระไม่ได้ก็คือว่า จะไม่มีความเย็นใจจะมีแตความก้าร้อนแต่ถ้าว่าเมื่อแพ้แล้วเนี่ยยอมรับความแพ้แพ้จิใจก็จะเย็นคว่าพระในที่นี้เนี่ยหมายถึงความเย็นใจส่วนชนะเป็นมาเนี่ยก็ไม่ไหมายถึงการผู้ชนะ โดยตรงนีแต่มาถึงความมุ่งมา่นทจะเอาชนะแม้ทน้าที่บางทีแท้แล้วแต่ว่าก็ยังไม่อยอมละความแพ้แพ้หนุ่งจะเอาชนะอันนั้นก็เรียกว่าเป็นมาก็คือว่าจิตใจรุ่งรอดความมาใที่นี้เนี่ยไม่ได้มาถึงผู้ร้ายแต่ก็อาจจะเป็นผู้รายได้ถ้ า, ถถาเกิดว่าพยายามเอาชนะ ด้วยวิธีการใดๆก็ได้เอาชนะด้วยเล่เอาชนะด้วยกลอย่างเช่นในการเล่นกีฬาถากว่ามุ่งมันที่กชนะอย่างเดียวก็จะใช้วิธีโกใช้วิธีที่ผิกติกา ก็ทำให้กลายเป็นผู้รายได้ทันทีในสายตาของผู้ชมแต่ึงนี้นว่าจะไม่ได้ทำกิจการนะทีนี้เราจะไม่ได้ใช้วิธีโกงแต่ว่าความที่ที่เจ้าชนะเนี่ยมันก็สามารถจะทำให้จิตใจทุ่รอนได้ คนเราเนี่ยถ้าว่ารู้จักยอมเสียบ้างดีใจก็จะพบกับ ค, ความสมบเย็นและความคุ่งเราส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเพราะว่าใจนี่ไม่รู้จักยอมไม่ใช่ยอมรออับความแพ้แคอย่างเดียวอย่างเช่น ยอมที่จะเป็นฝ่ายสูญเสียเสียบ้างหรือว่ายอมที่จะได้น้อยกว่าคนอื่นหลายคนมีความทุกขเพราะว่าเห็นคนอื่นมีมากกว่าตัวเองทำไมเขา มีเงินเดินมากกว่าฉันทำไมตอมีโบนัสมากกว่าฉันหรือนะแม้แต่เวลาที่ได้รับของแจกนะบางทีมาฟังธรรมะฟังธรรมะเสร็จก็มีเงินสีแจกดีใจนะที่ได้รับเงินสีแจกแต่พอ เห็นคนอื่นเขาได้สมเล่นแต่ว่าฉันได้แค่เล่นเดียวหรือสองเล่นนะก็เกิดความทุกขึ้นมาเลยบางทีก็จะเราก็เจตนา ก, กายของคนที่อ่เข้าไปกุ้มอยู่เพื่อแย่งหนังสือให้ได้เท่าเทากับคนอื่ น, นหรือว่าถ้าได้น้อยกว่ า, า ก, ก็จะไม่พอใจ ก็จะผ่านไม่ขอใจผั้แจกด้วยว่าฝนตกไม่ทั่วฟ้าอันนี้ก็เป็นเพราะว่าไม่รู้จักยอมคือเป็นทุกที่เห็นคนอื่นเนี่ยมีมากกว่าตัวเองยอมไม่ได้ที่ตัวเองจะได้น้อยหรือมีน้อยกว่าผู้อื่น การที่คนเราเนี่ยยอมไม่ได้ที่เห็นคนอื่นมีมากกว่าก็ทำให้เกิดความอิจฉาวิสยาเห็นคนอื่นแม้กระทั่งทำดีมากกว่าตัวเองก็ยอมไม่ได้ เกิดความทุกขึ้นมานนความอิอจฉาลึกซึ้งก็ไปแล้วเกิดจากการที่เรายอมไม่ได้ที่เห็นคนอื่นเขาดีกว่าเด่นกว่าหรือมีมากกว่าตัวเองเวลาไปเที่ยวต่างจังหวัดต่างาประเทศ คนไทยแล้วก็ชอบซื้อของจะกไปเป็นใช้เองอยู่นที่แล้วนึกก็ตามนะก็ที่ไหนที่เมาขายของก็ไปยนะิ่งถ้ามีขายของถูกนะก็่ีไปที่นี่อย ถ้าไปแล้วก็ต้อง ต, อ, ต, ตอ่ถ้าไม่ตอก็หมือกว่าไม่ได้ซื้อหรือไม่มีรสชาติต่อแล้วเนี่ยได้ของถูกก็ดีใจแต่พอกลับมาที่โรงแรมหรือไม่กาถจะโรงแรมแห่ขึ้นรถทัวและพวกก็เพื่อลงคณะขอซื้อของชิ้นเดียวกันเลยแต่้าซื้อได้ถูกกว่า เราซื้อได้ห0 0ร้แต่เขาซื้อได้400หรือ300เป็นยังไงทุกเลยนะทุกเลยแล้วก็มาเคยนะมีเพื่อนพอเร า, าเนี่ยเขาไปไปด้วยกันที่ไปร่วมทั ว, ร, ท ว, ร, ทวทร์ไปร่วมคณะนโดีการไปฝักกิน่นไปตลาดรัสเซียแต่ไปฝักกลิ่นแล้วไปตลาดรัสเซียถือ ว, ว่าไม่ถึงฝักกินนะ่นสำหวคนไทยแฮนะ แตลาักเสียเนี่ยก็เป็นมีของทุกยี่ห้อเลยเป็นของแท้ที่เด่นแดบดบมีทุกยี่ห้อเธอเล่าว่าเนี่ยไปซื้อกัวเกมดีนะยี่ห้อยีห่หอดีเลยกำลังถูกเสือตัวขายประมาณสามร้อยมะ ก็ต่อเงินเลือนะได้ร้อยหนึ่งก็ดีใจสามร้อยเหลือร้อยเดียวพอไปถึงขึ้นไปถึงรถทัวร์ทุกคนต่างก็อวดกันว่าซื้อมาเท่าไหร่เพื่อนคนหนึ่งเขาซื้อที่ห อ, อยด่วกันไล้ก็เตัวซื้อจากร้านดยวกันด้วยเขาบอก ซื้อได้แปดสิบตัวเซื้อได้ร้อยเลยเธอเล่าว่าคืนนั้นนี่หมอไม่หลับเลยมาไม่หลับเพราะอะไเพราะว่าแคงที่ซื้อแพงกว่าคนอื่นอันนี้ก็ยอมไม่ได้ฉันยอมไม่ได้ที่ซื้อแพงกว่าคนอื่นยอมไม่ได้ที่เห็นคนอื่นเนี่ยก็ซื้อถูกประชันแล้วมีเพื่อนไลฟ์ ที่ไทยรัไม่ทราบนะมีที่มันแกไปซื้อเสื้อเสื้อเก็ราคาสองพันนะแกก็ตอม่ได้หนะึ่งพันห้าอันนี้ผมไม่ใช่เหมือีนนะแกก็ดีใจแต่พอพบ ว, ว่าเพื่อนนุ่นถั่วรมชึกเนี่ยซื้อได้พนะันสองยังโมโหมากนะ เสื้อตัวนั้นแกไม่ใส่เลนะแกไม่ค้างฝาเอาไว้เอาไวด้ดูเพื่อที่จะเตือนใจว่าครั้งหนึ่งนะเคยโง่มาก่อนซื้อเสื้ อ, อไม่ใช้นะออันนี้แสดงว่าโง่ยิ่งกว่าการที่ซื้อของแพงของเขาที่จริงเจอก็กไม่ได้โง่ที่ซื้อแพงของเขาเลยนะเพราะว่าก็ต่ อ, อแล้วได้ปลูกไปด้วย แทนที่จะพอใจแต่ว่าความที่รู้สึกยอมไม่ได้ที่เห็นเพื่อนซื้อถูกกว่ตัวเองมันทำให้เกิดความโกรธแค้นเกลียดเสื้อตัวนี้ถือกลับไม่ใส่อันนี้ก็เป็นแสดงความโง่ของเขานะที่ซื้อแล้วไม่ใส่ เป็นขพอาอะไรนะเพราะยอมไม่ได้ที่จริงถ้าหากว่าใครเขาซื้อถูกกับเราแล้วก็นม่มทนาด้วยและวขณะเดียวกันเราก็ยังพอใจในสิ่งที่เราหามาได้ก็จะมีความสุข เราจะพบว่าการยอมไม่ได้นะี่นมันมัน็ น, น, นทบางความทุกข์ของผู้คนยางไม่ต้องพูดถึงเวลามีการตกเวลามีการโต้เถียงกันโต้เถียงกันแล้วเนี่ยทำไมเรื่องเล็กๆถึงืการเป็นเรื่องใหญ่ เพราะว่ายอมไม่ได้ที่จะเป็นฝ่ายแพ้หรือยอมไม่ได้ที่ฝ่ายหนงเนี่ยเถียนตัวเองเพราะว่าฉันนี่นะเป็นคนที่มีความรู้สึกว่าฉันนี่ฉลาดกว่าฉันนี่มีการศึกษาดีกว่าฉันเป็นคนรวยกว่า ฉันเป็นคนมีฐานะมากกว่าหรือแม้กระทั่งฉันถือศีลมากกว่าเคยมีนะฮะเขียงกันเรื่องธรรมะเท็งไปเท็งมาฝันสู้ไม่ได้เลยบอกว่า mm hmm. เธอถือเขียงเธอถือศีลอะไรเธอถือศีลห้ใช่ไหมฉันศีลแปเพราะนั้นเธอ อยู่เทียงนะฮคือยอมไม่ได้บางทีเหตุผลสู้ก็ไม่ได้แทนที่จะยอมนะกับอ้างเอาความเป็นคนที่มีสีมากกว่าเนี่ยมากดค่มแต่อันนี้ก็อาจจะธรรมดาเพราะว่าอาจจะไม่ถึงขั้นทะเลาีววาสกันในบางกรณีเนี่ย การยอมไม่ได้ก็นำไปสู่การทรเาวิวาะะถึงขั้นทำร้ายกันและที่ทำร้ายกันเนี่ยนะเราก็จะเป็นคนใกล้ไม่ใเป็นคนไกลเลยต้อ็เป็นคนใคนกล้โดยเพราะ ท, าาทา่าอีกฝ่ายนึงที่เขาทฝ่ายที่รู้สึกว่ า, วาตัวเนี่ย เป็นผู้ที่อยู่เหนือกว่าเป็นผู้ที่มีสถานะดีกว่า mm hmm. ก็จะรู้สึกโกรธแค้นให้ฝ่ายหนึ่ ง, มง mm hmm. ไม่ยอมตามตัวไม่ยอมแพ้หรือไม่ยอมเชื่อฟัง mm hmm. ก็จะโกรธแค้นมีเรื่องเล่าว่าสามี ภรรยาคุณก็แต่งงานกันมาได้ไม่นานกสามสี่ปีจนมีลูกอ่อนมันลูกเล็กอีกคนหนึ่งก็ปวดสองปวดปว่า ส, า, สามีไปทำอะไรถ้าไม่ทราบภรรยาก็ขอเลิกแล้วก็ทิ้งภรราทิ้งสามีไปรวมทั้งลูกด้วยสามีก็อยู่กับลูก ก็คงจะทุกยาก เ, เ, เพราะว่าเลี้ยงลูกผงเลี้ยงไม่เสร็จก็เลยไปง้อภรรยาภรรยาไปทำงานที่ร้านอาหารก็โงงง้อหลายท่าแต่เพราะว่าภรรยาไม่ยอมที่จะกลับไปอยู่ด้วย คง ม, มีการโต้เขียนกันแล้วก็ด่าว่ากันแต่ก็ลงเอยอ้ือการที่ผู้หญิงไม่อยอมต่าาๆคำขอของสามีของผู้ชายระหว่างที่ภรรยาหรือสามหรือผู้หญิงเนี่ยเข้าห้องน้ำผู้ชายก็ตามเข้าไปแล้วก็ใช้มีดเนี่ยทาร้ายผู้หญิงในี่ยงตาย อันนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรนะเพราะความรู้สึกว่าอรอไม่ได้ความรู้สึกว่าตัวเองพ่ายแพ้อุตส่าห์เป็นงอนง้อภรรยาแล้วเนี่ยสำหรับผู้ชายคงรู้สึกว่าเสียเกียดติม า, มากแล้วก็ไปง้อเขาแล้วก็ยังไม่ได้รับก็ยังถูกปฏิเสธก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยพ่ายแพ้ ใจิตใจที่ยอมรับความพ่ายแพ้ในความรู้สึกของตัวเนี่ยยอมไม่ได้ก็เลยเกิดความคิดที่จะเอาชนะขึ้นมาเอาชนะด้วยเหตุผลด้วยคารมไม่ได้ก็ต้องเอาชนะด้วยกหลังมีมีอยู่กับตัวก็เลยแทงฆ่าถึงตาย ก็เลยกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตอันนี้มัก็เห็นเลยว่าถ้ายอมแพ้ไม่ได้เนี่ยมันก็หรือที่แต่จะเอาชนะเลือก็เขากลายเป็นมานี่กรณีหนึ่งนะพ่อน่ก็เป็นคนเข้าวัดธัรมกธรมโง มีลูกชายวัยรุ่นลูกชายนี่ก็ไม่ค่อยสนใจเรื่องวัดวาอารามตอนนั้นก็ไม่เท่าไหร่นะแต่ว่าลูกชายนี่ก็เป็นคนดื้อไม่ค่อยเชื่อฟังพ่อซก็เป็นธรรมดาของวัยรุ่นโดยเฉพาะผู้ชายก็ไป โ, โต้เถียงกอยู่ข้างพ่อเนี่ยไม่พูดกับลูกสองคนไม่คุยกันแต่พ่อก็พยายามที่จะ คือดีว่า ด, ดีกับลูกต่อมาก็มีวันหนึ่งลูกเนี่ยตอนข้ามเนี่ยจะไปบ้านเพื่อนจะขอลดใช้รถของพ่ออะไแบบนั้นขับไปบ้านเพืนพ่อแม่มอนุญาตแต่ปบากว่าลูกก็หาทางตอนพอบเสือก็ขับรถไปไปหาเพื่อน พ่อก็โกรธไม่พอใจตามไปเอาเรถคืนแล้วก็เรียกลูกกลับมามาถึงบ้านก็ทะลองกันเสียงกันอย่างแรงแพ่อคงทนไม่ได้ที่เห็นลูกเนี่ยเสียงทำให้ตกฟาดก็เลยคว้าปืนออกมา ลูกตายด้วยอารมณ์โกรธด้วยความที่ลูกแก่โตัึ้นเสร็จแล้วพอรู้ตัวทำอะไรไปทำใจไม่ได้ก็เลยฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายตามไปเรืยจากคนที่ธรรมะสมมแต่แปลมาก็กลายเป็น่าตกร เพราะอะไรก็เพราะว่ายอมไม่ได้ยอมเป็นฝ่ายแพ้ไม่ได้คือในความรู้สึกของขอ ง, ของข่อในควรู้สึกว่าเฟย์เนี่เป็นฝ่ายแพ้แล้วก็แพ้แพ้ใายแพ้ลู่ซึ่งลูกเนี่ยควรจะเชื่อฝางข้ออยู่ในโอวาของพ่อ แต่ก็ลูกไม่เชื่อฟังไม่อยู่ในอนํำนาจไม่อยู่ในโอว่าวเพราะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเนี่ยเสียเกียรติหรือ ว, ว่าเกิดความรู้สึกว่าตัวเองแพ้ขึ้นมา่็เลยเกิดความโกรธบรรดาโท ส, สั่งแล้วก็ื่อเลยภูมิใจจะสั่งซ้อนลูก พอเราแพ้ก็คืออยากัตชนะอยากเ้าเนชนะและพอเราควา ม, วามโกรนเนี่ยเอาชนะทางไหนไม่ได้ก็ต้องเอาชนะด้วยกาลังมีปืนอยู่ใกล้ๆ ก, ก, ก็ใช้ปืนยิงกันเลยเพื่อต้องการเอาชนะเอาชนะลูกนั่นเก๋งเลเราะว่าการที่ ให้ความพยายามที่อยากเจา้าชนะหรือการที่ยอมรับความผ่ า, ายแพ้่ายแพ้ยอมรับสิ่งที่ไม่ถึงปรารถนานถ้าเรายอมไม่ได้เนี่ย แล้วเกิดความทุกข์ขึ้นมาเกิดความโกรความแค้ขึ้นมาการยอมที่จะมายังหมายถึงการยอมรัความจริงด้วยนะไม่ใช่ใค่ยอมรับความแ ท, แท้ไม่ใช่ยอมที่เห็นคนอื่นเขาดีมากกว่าเรานะหรือว่ายอมที่ยอมที่ตัวเองมีมัดของเขาหรือว่ายอมที่จะ เป็นฝ่ายเป็นฝ่ายให้แพ้ในการตบเทียงหรือแม่ท่านยอมรับที่จะเป็นฝ่ายผิดใจหมาถึงการยอมรับความผิดด้วยพูดถึงการยอมรับที่จะเป็นฝ่ายผิดนี่ก็เหมือนกันนะ มันก็เป็นที่มาของความทุกข์คนเราเนี่ยทําไมเราจะมีความทุกข์เวลาถูกวิพากษ์วิจารเวลาถูกทวงเกณฑงเวลาถูกตักเตือนบางทีสิ่งที่เขาตักเตือนสิ่งที่เขาทวงจริงนั่นเป็นความจริงเป็นความถูกต้องแต่คนส่วนใหญ่ก็รับไม่ได้ก็เพราะยอมรับไม่ได้ว่าตัวเองเป็นฝ่าจิด จะยิงกายให้ได้าตัวเฝ่ายถูกและยิ่งตัวเองมีสถานะที่สูงมากเท่าไหร่เนี่ยให้การที่จะยอมรับว่าตัวเองเนี่ยผิดเกิดพาดเนี่ยก็ยิ่งมีน้อยลงก็ทำให้เกิดความไม่พอใจครอบครัวทะลาะบแร้งกันก็เฝ่ายหน่ไม่ยอมรับก็เตอ ได้ความผิดทาท่าก า, ารทำงานเกิดคว า, ส า, า, บบบ า, ามสะเลาะกันบาดแบดบาดวานบาดหมางกันพระวัยฝ่ายายอมรับความอิจฉาไม่ได้แน้กรนท่ในแวดวงนกักปฏิบัติธรรมก็ก็เกิดปัญหาตรงนี้เพราะว่าเวลาจะจจติดจะติงก็เกิดโกรธแม้กระทั่งเวลามีคน มาพักพวงว่าเราไม่มีสติเลยนะก็โกรธแทนที่เราเราชันไม่มีสติจริงนะซึ่งกับเรื่องธรรมดาคนเราไม่ใช่ว่าจะมีสติไปตลอดเวลาแต่สรกการาปฏิบัติธรรมีไม่มีคําดาอะไรเนี่ยที่ดูแลมากกว่าจะว่าไม่มีสติแทนะที่มันเป็นเรื่องที่คิดจอยมาเพราะคนเราก็ไม่มีสติกนะันะ หรืเธอไฝกันได้แต่พอไฝพูดอย่างนี้ขึ้นมาว่าเธอไม่มีสติเลยหรือว่าทําไมเธอโกรธทําไมเธอโมโหนี่ยนะอีกฝ่ายก็จะไม่พอใจเพราะคิดเขาเ้าใจว่าปฏิบัติธรรมโกรธไม่ได้ปฏิบัติธรรมโมโหไม่ได้ปฏิบัติธรรมจับทั้งเธอไม่ได้รู้อยู่แต่ใจว่าบางทีก็รู้ว่าตัวเอง มไม่มีสติตทั้งเธอตัวเอยโกรธตัวเองโมโหแต่ว่าไม่ยอมรับว่าตัวเองเนี่ยเป็นอย่างนั้นก็ เ, เลยโกรธก็ทำให้เกิดการรอบออกรกขึ้นมาที่อยที่บอกเวแล้วนอกจากการนอกจากนี้นล้มีรวมถึงเรื่องการระลอบความจริงนย คนเราถ้าย้อรับความจริงเนี่ยชีวิตมันก็จะเบาสบายเวลามีอะไรมากระทบถ้าเราอยอมรับความจริงได้เนี่ยมันก็ความทุกข์ใจก็จะน้อยลงทําทไมเวลาของหายคนเราจะมีความทุกข์เสียใจก็เพราะเราอยอมรับความจริงไม่ได้ เพราะฉะนั้นก็การนว่าของหายไม่ได้หายแต่ของไม่ได้เสียแต่ของใจก็เสียด้วยของมันหายไปแล้วเงินเสียไปแล้วแต่ใจมก็ยังไม่ยอมครับ ว, ว่าฉันสูญเสียเนอนก้อนมาไปแล้วของนันฉันสูญไปแล้วใจไม่ยอมรับก็ทำให้ใจป็นทุกข์ก็เลยเหมือนกับว่าซ้ำเติมตัวเอง ทุกข์เพราะเงินหายของหายไม่พอก็ยังซ้ําเติมให้ทุกข์ใจต่อไปนี่เป็นเพราะไม่ย้อนความจริงถ้าลองสังเกตดูนะไม่ว่าตามที่ของหายก็ตามเงินหายก็ตามเนี่ยถ้าเราย้อนความจริงได้นะมันก็จะเบาใจไม่ทุกข์นะของก็แค่หายไป แใจใจไม่ทุกข์คอยยอมรับความจรินได้ไเดวลาเจ็บป่วยถ้าไปเลยก็ตามเรายอมรับความจริงไม่แล้วว่าเจ็บป่วยมันจะทุกข์มากทําไมหลายคนคินไม่ได้ดอนอ ไ, ไ, ไ, ไม่หละ่ะเมื่อพบ ว, ว่าตัวเองเป็นมะเร็งที่จริงอาจจะเป็นมะเร็งแค่ขั้นหนึ่งขั้นสองท่งั้นเองยังสามารถจะใช้ชีวิตตามปกติได้ แต่ว่าซึมน้อนไม่หลับกินไม่ได้เพราะว่าใจไม่ยอรับความกินหลายคนจะบ่นในใจหรือตีโพดีเข า, าทำไมต้องเป็นชั้นทำไมต้องเป็นชั้นไอ้คาว่าทาไมต้องเป็นชั้นเนี่ยมันก็บอกบอกแล้วว่ายอมรับความกินไม่ได้แล้วมอเยอมรับความกินไม่ได้ใจก็เป็นทุกข์ แล้วใจเป็นทุกข์ก็ทำให้กาเนี่ยนักขึ้นมีคนหนึ่งไปหาอายุปูะมากสั็ 60-70 ได้ไปหาหมอหลายครั้งก็ไม่รู้เป็นอะไรแล้วหมอก็บอกว่าป้าป้าเป็นมะเร็งตับนะอยู่ได้ในเกิดสามอยู่แก่ทำใจไม่ได้ กลับไปบ้านก็กินไม่ได้นอนแม่หลังอยู่เหมือนสักระตายไม่มีชีวิตชี ว, บวาบางคนอยู่ได้แค่สิบสองวันก็เสียชีวิตในกรณีบางคนหมอบอกว่าคุณเป็นแบงตัดยู่ได้ไม่เกินสามเดือนเหมือนกันแต่ว่าอยู่มาหกปีแล้วก็ ยังใช้ชีพตามปกติได้พอสมควรมัน ต, ต่างกันตรงไหนฮะมาเลีนต่างหือกันแต่ว่าฝ่ายหนึงเนี่ยยอมรับความจริงได้มันก็เลยทุกแต่กายอีกฝ่ายหนึ่งยอมรับความจริงไม่ได้ที่ตกกังวลตีโฟนตีพายว่าทำไมฉันทําความดีมาตลอดอเป็นอย่างนี้ทําไมต้องเป็นฉัน ลองพบอกอ้ฉันคิดงานชีวิตจิตมาตลอดเลยทำไมถึงเป็นอย่างนี้ให้การที่ยอมรับความจริงไม่ได้เนี่ยมันทําให้จใหจเป็นทุกข์แล้วมันก็ไปซ้ําเติมกายทําให้ทุกหนักเข้าไปใหญ่นจนถึงการตายได้แต่ถ้าแต่ว่ายอมรับความจริงได้เออตอนนี้ฉันเป็นแล้วป่วยกายที่จะปวดปวด ป่วยการที่จะวุ่นวายตีป่วยตีพายหรื อ, อยอมรับความจริงว่ามันก็เป็นธรรมดาคนเราเกิดมาก็ต้องมีเจ็บมีป่วยความเจ็บความป่วยเป็นเรื่องธรรมดาถ้าไม่ป่วยข้อโรคแมก็ป่วยข้อโรคนี้เห็นว่ามันเป็นธรรมดาอยอมรับความจริง เหนว่ามัน เ, เป็นธรรมดาเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บและต้องตายแทนที่จะบวว่าทำไมถึงต้องเป็นชั้นก็ถามหมายว่าทำไมจะเป็นชั้นไม่ได้เพราะว่าใครๆเขาก็เป็นกันคนนั่นก็เป็นคนนั้นก็เป็นทำไมจะเป็นชั้นไม่ได้บางคนก็เป็นเศรษฐีบางคนก็ ธรรมะธรโอนที่เปิดชั้นตอนคนก็เป็นพระยังเป็นมันเร็งเนี่ยแล้วทำไมจะเป็นชั้นไม่ได้เมื่อไป็นช น, นี้ก็ยอมรับความจิงเม่อยอความจริงจิตใจก็ก็สมบูรณก็จะแทนที่จะปนแทนที่จะตัดทอต่อว่าสพากำก็จะมาให้คนเออแล้วเราจะรักษาตัวยังไง อันนี้ก็ทําให้เขาสามารถเดินไปข้างหน้าได้แต่คนที่ไม่อยอมรับความจริงเนี่ยเช่นเวลาทป่วยด้วยโรคร้ายหรือสูญเสียคนร่างเนี่ยจะไม่สามารถมองไปข้างหน้าหรือก้อาวไปข้างหน้าได้เลยเพราะว่าใจมันยังอยู่กับอดีตยังไม่อยอมรับความจริงในปัจจุบันนั่นแสดงให้เห็นว่า ให้คำว่ายอมเนี่ยมันมีความสำคัญมากปัญหาของมนุษย์เราเนี่ยความรุกคนเราส่วนใหญ่ถึงพราะยอมไม่ได้หรือไม่รู้จักยอมแล่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรารู้จักยอมบ้างเนี่ยนอกจากทำให้เราสามารถจะเผชิญกับความพั น, น, นป่วยนแปลในชีวิตได้แล้วเนี่ย มันยังทำให้เราสามารถที่จะพาติดพว ก, กความสงบได้<ม>เวลาปฏิบัติธรรมเนี่ยความทุกข์ของนักปฏิบัติธรรมจานวนไม่ น, น้อยเนี่ยเกิดขึ้นจากการที่ยอมไม่ได้ที่ความเครียดเกิดขึ้นที่ความทุกง์เกิดขึ้นยอมไม่ได้ที่นิวรณเกิดขึ้น ฉันต้องการปฏิบัติทมเพื่อความสงบแต่ใจไม่สงบเลยมันฟุ้งเหลือเกินถ้าแอว่ายอมรับว่ามันเป็นธรรมดามันจะฟุ้งก็ฟุ้งไปฉันก็จะดูมันไปความเพียดเกิดขึ้นฉันก็จะดูมันความฟุ้งเกิดขึ้นฉันก็จะดูมันอันนี้เนี่ย แต่ทาให้การปฏิบัติเนี่ยนำไปสู่ความสงบและมีความก้าวหน้าแต่ส่วนใหญ่เนี่ยพอมันฟุ้งก็จะไม่ยอมหลายคนเนี่ยซึ่งไม่เคยปฏิบัติเลยเนี่ยพอนั่งไปได้สักห้าทีบอกฉันเรื่องนั่งแล้วมันฟุ้งเหลือเกินนั่งแล้ทุกที่จริงความฟุ้งไม่ทําให้ทุกนะแต่ใจที่ยอมรับความฟุ้งไม่ได้ มันครับ น, นี้เราให้ไำให้ถูกเพราะเมื่ อ, อยอารับความฟุ้งไม่ได้ก็จะพยายามเอาชนะความฟุง้งจะพยายามกดตรายามกดคมมันซึ่งก็ยิ่งทำให้ทุกข์มากขึ้นแทนที่จะฟุ้งก็เลยเครียดความเครียดเนี่ยมันเกิดจากการที่จะพยายามเอาชนะความฟุ้งซ่าและที่อยากเอาชนะาะยอมไม่ได้ที่เห็นมันเกิดขึ้น ครูบาอาจารย์ท่านก็นจะบอกว่านะเวลาปฏิบัติก็ให้มันดูดูมันเฉยเฉยอะเกิดขึ้นก็รู้เฉยเฉยหลวงพ่อเทีย น, นสอนให้รู้ซึ่ซื่อรู้ซึ่อซื่อคือรู้เฉยเฉยมันไม่สงบก็รู้ไ ม, ม่สงบอย่าไปอยากให้สงบเพราะถ้าอยากสงบเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะพยายามกดคน่มความฟุ้งซ่านซึ่งที่ทําให้ มันฟุ้สซ่านมากขึ้นแล้วก็ทําให้เครียดมากขึ้นครูบาอาจารย์ต้องบอกว่าเวลาอะไรเกิดขึ้นก็ให้วังจะเป็นการรับรู้สิ่งต่างๆที่ใจที่เป็นกลางอันนี้ก็คืออันตรายต่การที่เรายอมรับเมื่อสิ่งที่ไม่คุณปรารถนาบางเกิดขึ้นมา เวลาเราปฏิบัติทำ เ, เราจะยายาเอาชนะลีวอนเอาชนะด้วยการใช้กำลังกดข่มแต่ก็ยิ่งทำให้ลีวอนเนี่ยมันมีกำลังแรงกล้ามากขึ้นบางท่านเนี่ยปฏิบัติไปปฏิบัติไปเนี่ยบอกว่า เคลียดเครียดไม่พอทำไปสักพักก็บอกว่าโมโหตัวเองถึงขั้นอารองเท้าแต่เนี่ยฟาดหัวตัวเอ ง, ถ, ง, เอ ง, เเองถ้ามันคิดมากกินเวิ้นมันคิดมากกินเวิ้นกกนี่แสดงว่าไม่ยอมรับความจริงเมื่อไม่ยอมรับความจริงก็วางใจเป็นกลางกับสิ่งนั้นไม่ได้ ลองสังเกตุนะไอความทุกข์ของคนเราเนี่ยนะส่วนใหญ่สมัยนี้นะมันเป็นเรื่องความทุกข์ใจแล้วความทุกข์ใจเนี่ยนะมันเกิดจากการที่เราเนี่ยไม่สามารถที่จะยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้เช่นเวลาแดดร้อน แดดร้อนเนี่ยจริงมันมันก็สามารถจะร้อนแค่กายได้นะแต่ใจเนี่ยมันจะไม่ยอมรับมันจะปวดว่าทำไมจริงร้อนจริงว่าทาไมถึงร้อนเหลือเกิน <c oughs> ท่านที่ใจคิดแบบนี้เนี่ยนะมันร้อนใจมันไม่ใช่แค่ร้อนกายความห้านเช่นเดียวกันถ้ามันหนาวแล้วใจยอมรับความหนาวได้เออหนาวก็หนาวไป ใจไม่บ่นมันก็หนาวแต่กายแต่พอใจไม่ไม่ยอมรับทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นแค่ทุกขเวทนาทางกายพอใจไม่ยอมรับเนี่ยจมันทุกเกิดทุกขเวทนาทางใจขึ้นมาที่ก็เลยไม่ใช่แค่หนาวกายหนาใจด้ยวยทําไมเราทุกเวลาเสียงดัง มีเสียงดังรถปมีโทรศัพท์เสียงโทรศัพท์ดังในศาลา น, นี้หรือมีเสียงรถมอเตอร์ไซค์รถสิบลอ้อดังข้างนอกทําไมหลายคนมีความทุกข์ก็ค่อยอมรับไม่ได้จอมรับไม่ได้ว่าทําไมนักปฏิบัติทำมาถึงนี้แล้วไม่ปิดโทรศัพท์มือถือทําไมไม่มีมารยาทเลย ทำไมไม่เกลีนใจกันบ้างพอเรายอมรับความจริงไม่ได้เนี่ยใจยเราก็จะส่ายใจยเราก็จะร้อนขึ้นมาเสียงวิ่จรก็ไม่ดังเท่าไหร่แต่ปอใจเราไม่ยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ยิ่งทําให้จิตเนี่ยเป็นปากที่เสียงนั้นพอจิตเป็นปากที่เสียงนั้นมันก็จะดังขึ้นมา ก, ข, มากขึ้นมากขึ้นในความรู้สึกของตัว ก็เลยยิ่งเป็นทุก ม, มากขึ้นทีนี้ฟังพระมาพูดในรู้เรื่องนะเพราะว่าใจมันไปอยู่ที่เสียงไม่ว่าเสียงโทรศัพท์ในห้องหรือว่าเสียงรถข้างหน้าข้างนอกพอฟังไม่ได้สับ ก, ก็ยิ่งบุกหนีเข้าไปใหญ่แต่ทั้งหมดนี้มันจะเปลี่ยนไปทันทีถ้าเกิดว่าเรายอมราบมันได้เลยดังก็จะดังไปนะฉันก็ จะพยายามตั้งใจฟังสิ่งที่พระท่านบรรยายก็จะไม่มีความฟุ้งร้องอะไรเสียงไม่เป็นปัญหานะแต่ใจที่ยอมรับเสียงมันไม่ได้คือปัญหาความเจ็บป่วยไม่ใช่ปัญหามากเท่าไหร่แต่ใจที่ยอมรับความเจ็บป่วยไม่ได้นะคือปัญหา คำตำหนิไม่เป็นปัญหาแต่ใ จ, ใจที่มันยอมรับคำตำหนิไม่ได้คือปัญหาและทั้งหมดหลามี้นะที่สุดแล้วมันโยมาสู่สู่สิ่งที่ถ้าจะเพื่อคาดว่าตัวครูของครูนะหรือว่าถ้าถ้าผู้ให้เพศในอย่นั้นก็คือ ตาดหามาหาทิพิ์คนเรายอมไม่ได้เพราะว่าธรรมชาติตัวครูเนี่ยมันไม่ยอมอยูแล้วตัวครูนี่มันไม่ยอมนะมันไม่ยอมแพ้มันคิดแต่จอชนะอย่างเดียวตัวครูมันยอมไม่ได้ที่เห็นมันดูดีกว่าเด่นกว่าตัวฉัน ตัวครูมันยอมไม่ได้ที่จะยอมรับ ว, ว่าันผิดตัวครูมันยอมรับไม่ได้ที่เห็นรูปไม่อยู่ในโอวาทของทันซึ่งเป็นพ่อหรือเป็นแม่ตัวครูทนไม่ได้ที่เห็นภรรยาไม่เชื่อความสามีหรือว่าเถียงสามี ตัวกูมันไม่ได้ที่เห็นคนอื่นมีมากกว่าฉันทั้งหมดนี้เนี่ยก็โยงมาถึงตัณหามานาทิฐิตั้หาคือความอยากอยากได้มากเพราะฉะนั้นด้นคนอื่นมีมากกว่าก็ไม่พอใจหรือเห็นฉันน้อย ก, กว่าืก็ไม่พอใจอยากจะได้มากนี่คือตัณหาอยากจะได้โมนัสเท่าคนอื่นหรือมากกว่าคนอื่น อยากได้นักสื่อธรรมะเท่าคนอื่นหรือมากคนอื่นนี่คือตัณหามานะก็คือความถือตัวถือตนว่าฉันเลิศกระเสริฐฉันดีกว่าฉันทนไม่ได้ที่เห็นคนอื่นเด่นกว่าดีกว่าหรือเห็นหรือได้กินได้พบว่า ฉันมีความผิดพลาดขึ้นหรือมีคนมาชี้ให้เห็นว่าฉันมีความผิดพลาดก็จะยอมไน่ไ้หรือโกรดที่รูปไม่อยู่ในโอวาลูกน้องไม่เชื่อฟังยอมไม่ได้ที่ลูกน้องเนี่ยเขามีเหตุผลดีกว่าเราถ้าเราเถียงสู้ก็ไม่ได้ยอมไม่ได้เพราะนี่คือตัวมานะทิฐิความหลงในความคิดความเชื่อของตัว เน้นยอมไม่ได้ที่เสียงเราแท้ก็ต้องหาทางเอาชนะเอาชนะด้มันไม่เดตุผล ไ, ไม่ได้ก็เอาก็อ้างว่าฉันเป็นพ่อเธอฉันเป็นเจ้หาหน้าของเธอฉันมือถือสิมากกว่าเธอดังนั้นเธอแพ้ฉันซะหรือว่าพิสูจน์ได้ว่าเสียงได้เพื่อเพื่อที่จะพิสูจน์ได้ว่าฉันเนี่ยเป็นฝ่ายถูกความพิสูจน์ฉันมีความถูก ที่บ้านเมืองวุ่วายนะก็เพราะว่าตัวนี้นะปัญหามริกทิศคือยอมกันไม่ได้นั้นสำหรับนักปฏิบัติธรรมเนี่ยที่ต้องการที่จะเอาชนะหรือว่าจะไม่ยอมอานาจของตัวคูของครูนเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ควรฝึกเอาไว้คือฝึกที่จะยอมนะเป็นอุบายอย่างหนึง่ง ในการที่จะทำให้ตันหาณทิถิหรือตัวหวงปู่เนี่ยมันไม่ฟูเสื่อมพล้อมมาติดใจยอมไม่ว่าจะเป็นยอมแพ้หรือว่ายอมที่จะเห็นเขามีมากกว่าตัวเรายอมที่เขาซื้อของได้ถูกกว่าเรา เวลาเลไปื้อของเวลาไปเที่ยวเชีมมยงใหม่ตามประเทศเออเขาซื้อถูกกว่ายิ้มนะอย่าไปอย่าไปขุนเคืองเพราะนั่นกำลังเป็นการฝึกฝึกฝึกสังโดตก็ได้คือฝึกพอใจในสิ่งที่มียินดีสิ่งที่ได้แล้วก็ฝึกที่จะไม่ให้ตังหาคลองใจให้ความิจารเราขุนเคืองอ่า แล้วก็ยอมใน้ใจจะกุ่นกลุ่นแต่ก็รู้อ้ที่กลุ่มน้เนี่ยมันเป็นตัวกูที่มันโกรธมันเป็นตัวกูที่ทุกข์ไม่ใช่ไม่ใช่สันทุกขเวลาเรายอมในสักอย่างสังเกตน้ำใจเรามันจะเป็นยังไงมันจะมีแรงต้านมันจะมีแรงต้านยอมไม่ได้งานที่ยอมไม่ได้ ยอมขอโทษนี่ก็ยอมไม่ได้เลียจะขอโทษนี่มันมีแรงต้างฉันไม่คีดแต่เราลืนไปถ้าเราเป่ยปากยอมเนี่ยมันลดอัตตาไปได้เยอะขอโทษเนี่ยการขอโทษนี่เป็นการที่จะลดอัตตาตัวตนไปได้เยอะมันเป็นการลดมารนะไปได้เยอะ เวลาเจออากาศร้อนใจมันบ่นน้อนหนือเกินเว้นเวลาเจอรถติดกระโนทําไมช้าวันนี้คุณรถติดลองยอมดูสิติดก็ติดไปร้อนก็ร้อนไปนไม่บ่นเสียงดังก็ดังไปฉันไม่ฉันไม่อนาทอว่างใจให้พนี้มันฝึกนะฝึกเป็นการฝึกที่จะ เรียกว่ารถลากิเลสได้เป็นการสุดใจให้ยอมรับความจริงเวลาใครตอว่าเราใจมันที่อยากจะตอบโต้เขาพูดจริงไม่จริงอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าใจจะตอบโต้แล้วเขาพูดไม่ดีกัแล้าเ็าดินทาเรา ลองยอมหรือบางสิการจะสงบให้เขาว่าไะให้ถือว่านี่เป็นอุบายในการที่จะลดละตัวตนหรือว่าไม่ให้ตรวจตนนี้เข้ามาคร่อบงนะิงจิตใจตัวกูของกูเข้ามาครอบงนะแล้วคุณจะพบว่ามันไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะว่ามันเป็นการตรวจกระแสตรวจภูของภูดโดยตรงเลยเพราะตัวภู่อูโดยธรรมชาติแล้วนิสัยออกมาคือไม่ยอมไม่ยอมมั่แต่ถ้ารลองยอมมันเนี่ยนะมันก็จะทำให้มันคิดสงมันอ่อนล้าเลยเนี่ยแล้วก็ตามเนียจะมาพูดมาเนี่ยก็พูดในความหมายที่ยอม พูดถึงการยอมในฐานะที่เป็นวิธีการที่จะไม่ให้กิเลสเข้ามาครอบ ง, งใจเป็นการทวนกระสายกิเลสหรือเป็นการดัดพิสัยตัวครูของครูแต่ถ้ามันเป็นเรื่องของความถูกต้องนะก็ไม่ควรยอมงนะ่ายง่าย ต น, น่ความไม่ถูกต้องเกิดขึ้นนะถ้ายอมนี่มันแสดงว่ามันไม่ใช่แล้วนะเพราะว่าบางทีเรามีความขลาดกิเลสนี่มันมีที่ใสที่นิ่งยู่ได้ไม่อยากจะไม่อยากจะหาเรื่องไม่อยากจะเจอความลาบากเพราะฉะนั้นพอเจออุปสรรคเข้าเนี่ยมันจะยอมแพ้ เวลายอมแพ้ของประสาทที่มันไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่ถูกนะอันนั้นคื อ, อาการยอมอยู่ในอำนาทีอเลยการยอมอยู่ในอำนาจของกิเลสที่ไม่ไม่ควรนะเวลาพูเรื่ความถูกต้องเนี่ยเราต้องอไม่ยอมยงา่ายๆอันนี้แหละที่พุทธเจ้าเรียกว่าธรรมะที่ประยก็คือการเอาธรรมะหรือความถูกต้องเป็นใหญ่ ซึ่งตรงข้ามกับอัตตาที่แปลอัตตาที่อะไรที่เอาอัตตาเป็นใหญ่คนที่เอาอตาเป็นใหญ่นี่มนะันจะไม่ยอมอย่างที่สมมาได้พูดมาแต่ถ้าเราลองยอมเนี่ยมันก็ทําให้ตัวอัตตามันมันคลายที่สองลงแต่เพื่อเรื่องเรื่องความถูกต้องเนี่ยนะเราก็ต้องเรียกว่าดินใหญ่นะอันนี้ตรองแยกให้ถูกนะไม่ใช่ว่ายอมแต่ทพื่คือ ยอมทียจะมาพูดยอมเนี่ยในความหมายที่เป็นการทวนกระแสทิเลตันหามันแล้วที่ถือตัวผังกูแต่ถ้าเป็นเรื่องความถูกต้องแล้วเนี่ยเราก็ต้องยืนหยัดมั่นคงเวลาเจอทำทำสิ่งที่ดีแล้วมีบัตรศักเราก็ไม่ยอมไม่ใช่ว่าไหนมีบัตรศักดิ์เรา ย, ยอมแพ้อาจ า, ารย์ภาษาบรอกให้ยอม เวลา ง, งวงก็ให้ยอมถ้าหหลับซะเลยนะไม่ใช่นะเราเรากำลังปฏิบัติธรรมเร า, าลังทำศีลถูกต้องก็ต้องไม่ไม่ยอ ม, มง่ายง่ายอยู่อุปสรรคก็ต้องสู้นัดูกของเราเขากำลังกลังมุ่งมั่นขยันเรียนนะเราก็ต้องบอกเขาว่าอย่าไปยอมแพ้ต่ออุปสรรคต้องยืนหยัด อันนี้ก็เป็นการทุล ก, กระแสกิเลสเพรพะกิเลนี่ยมันจะไม่อยากเหนื่อยมันอยากสบายยิ่งเห็นคนอื่นเขาไม่ขยันไม่ไม่ไมาพาดเทียนแล้วเราจะขยันทำไมหรือใครๆเขาขอรับช่นกันเราก็ยอมคอรับช่นกับเขาบ้างใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้นอันนั้นไม่ได้คนเราเลื่องแล้วนะ ไอการอยอมที่เนี่ยคือยอมใน้านของกเลต้องแยกแยะให้ถูกอันนี้ก็ลงไปถึงการที่จะลงมือทำอะไรก็ตามยอมในที่เนี่ยทําไมามุ่งไปถึงความหมายในแง่ที่เป็นการทําจิต ทำจิตนะแต่เรื่องการทำจิตอีกเรื่องหนึ่งทำจิตจอจาจเสด็จต่อเต่าเนี่ยการยอมเงินนี้เป็นการปฏิสธกระแสพิเศษแต่ว่าถ้าทาจิตอันนี้เราก็ต้องทำนะถ้าจาเป็นเช่นเจนะ็บปว่วยเจ็บป่วยเราก็ไม่บ ว, วยวายเรายอมรับความจริงว่าเออมันเป็นมะเร็งแล้ว เป็นโรคหัวใจเราเป็นเบาหวานนะเรายอมรับเราไม่โกไม่ปติโผยปีผา ย, ายอันนี้เราทําจิตซึ่งมันดีกว่าการไม่ยอมรับทําไมต้องเต้นชั้นนักศึกษากินอาหารชีวจิตนักศึกษาออกกำลังกายทําไมยัเต้นอยู่ฉันทำความดีมาตลอดทําไมทุกเต้นอันนี้คือการไม่ยอมรับความจริง จะดีกว่าเท่าไรก็าล้วความจริงมันจะเกิดจากอะไรก็ตามก็ไม่ต้องพูดแล้ตอนที่มันเกิดขึ้นแล้วแล้วความจริแต่ว่าไม่ใช่แต่ว่ า, ม, วามองมือมองเท้าทำกิจก็ต้องทําก็คือว่ารักษาเรายอมรับเราเป็นมะเร็งเรายอมรับเราเป็นโรคร้ายเราไม่บวดไม่เวียนวาแต่เราก็ไม่ได้มีอยู่ได้ทมกิจก็ต้องทําคือรักษาพยาบาลนะฮะ ถ้าว่าเราทําแต่จิตแต่ว่าไม่ทำกิจอันนี้บางทีมันอาจจะนําไปสู่ความผิดพลาดได้หรือทํำให้เข้าใจธรรมะอย่าไม่ถูกต้องเดีย๋ยวนี้คนเราเข้าใจว่อมาพทดศาสนาสอนให้ปล่อยวางอย่างเดียวไอ้แล้วก็ปล่อยวางอะ น, นั้นก็ถูกไม่แต่ถูกครึ่งเดียวปล่อยวางก็เป็นการปล่อยวางที่ใจ แต่ว่ายังทําอยู่ทําด้วยแจที่ปล่อยวางอันนี้ดีแต่ถ้าปล่อยวางแล้ววางเฉยไม่ทําอะไรเลยไม่ใช่หลวงพ่อชาท่านเคยเล่าว่าเคยไปเยี่ยมไปดูพระที่ท่านอยู่ในกุฏิสมัยนั้นว่าหนองปลากรงก็งกุฏิก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่นะ ในสามสิบี่สิบปีก่อนปกุติก็เป็นกุตติมุงจายาคาเนก็ไปเห็นกุติหลังหนึ่งเนี่ยหลังคาก็รั่วเวลาฝนตกน้าก็รั่วลดลงมาพาะที่อยู่ในกุติท่านก็เวลาฝนตกเวลารลั่วฝนรัลล่วลงมาท่านก็หลบรั่วตรงนี้ท่านก็หลบไปหน้าตรงนี้หน้าสมาธิเอง รัตรงนี้รัตรงนั้นก็หลบมานั่งตรงนี้หลวงพ่อเช้าถามว่านั่งทำอะไรห่รอเก็ให้ผลว่าผมปล่อยวางหลวงพ่อเาว่าปล่อยวางแบบพูดที่มันไม่ใช่วางเฉยแบบดูดควายนะคือดีแล้วที่ไม่ทุกนะที่หลังคา ม, มันรั่วดีแล้วที่ไม่ทุกยอมรับความจริงได้แต่ต้องซ่อมต่อไปใช่ไหมไม่ใช่วาอยอมยอมแล้วก็ไม่ทํำอะไรไม่ถูกนะต้องแยกนะระหว่าทําจิต ก, กับทํา มิชาวพวกเราเข้าใจสับสนว่าปล่อยวางมาถึงทาไม่ทำอะไรเลยนะไม่ใช่เคยมีคุณวนะิจักรพานิทย์นะแกเล่าเคยแกเล่าว่าเคยแกไปไปสอนหนังสือให้ราพย์หนอเทไหลอ ะ, อะเป็นวิชาเอกการศาสาศนาก็ตั้งโจทย์เขียนโจทย์มาให้นักศึกษาสแสดงความเห็น จนแล้วก็มีว่ามีชายคนหนึ่งเมื่อตื่นชช้าเขามานั่งสมาธิและก็ได้พิจารณาคำสอบของหลวงพ่อการพุทธที่บอกว่าสิ่งทังปวม่คนยึดมั่นถือมั่นก็รู้สึกว่ามีความสบายใจจิตใจก็ปล่อยวางเสร็จแล้วมาทำกิจส่วนตัวเสร็จก็เอาขยะเนี่ยในบ้านเนี่ยออกไปทิ้งก็บอกว่าข้างนอกเนี่ยนะ คือมาเป็นซอยเป็นถนนแคบๆเนี่ยก็มีคนเราขยับเอาเอาพยับมากองทิ้งส่งเสียงกลิ่นส่งกลิ่นเหม็นนะแมลงวันตอนเวลาฝนตกเนี่ยมันก็น้ำนะสิ่งปฏิกูลมันก็มันก็ไหลส่งกลิ่นเหมนตายคนนี้มากลับไปบ้านได้กลิ่นเหม็นก็แต่ก็รู้แด้วว่าอ๋อ พระอาจารย์ผู้เฒาบอกว่าสีมะพร้าวไม่ควรคิดมั่นถือมั่นแย่ก็เลยปล่อยวางนะครับ แ, แต่ก็พอใจแต่เพีงเท่านั้นสินงที่จบก็คือว่านักศึกษาเห็นอย่างไรมีความที่อย่างไรกับพฤติกรรมขอการกระทำของชายผู้นี้เพราะว่านักศึษา80เปอร์เซ็นเด้วยเหพื่อปล่อยวางก็พยายส่งกินไนะก็ช่างมันนะเราก็ปล่อยวาง อันนี้ก็ถูกครึ่งเดียวนะคือปล่อยวางเนี่ยมันช่วยทําให้ไม่ทุกข์ใจมันเกิดขึ้นแล้วเราจะทุกมันไปทํำไมนะทุกไปก็ืออินซ้ําเติมเพิ่มเแล้วคนปล่อยวางแต่ปล่อยวางที่มันช่วยให้ใคลายความทุกข์ใจแต่ทุกทางกายหรือทุกที่เกิดจากสิ่งวัตอุที่ไม่ไม่เกื้อคู่เนี่ยก็ต้องแก้ไขอันนี้ต้องทํำกิจนะ ต้องทํากิจก็คือว่ต้องหาทางช่วยกันที่จะแก้ปัญหานี้นะไม่ใช่ว่าปล่อยวางแล้วไปทําอะไรเลยนะทำจิตกับทากิจมันต้องไปคู่กันทําจิตก็ต้องทําเพื่อการปล่อยวางแต่ทํากิจก็ต้องใช้ความเพียรไม่ประมาทนะพุทธศาสนานี่ท่านจะสอนเรื่องสองอย่างมคู่กันตดเวลาคือทำกิตและทํากิต ปล่อยวางแต่ผลขวา ย, ยัางไม่ประมาณในปัจิโพองา์ของพระเถรองค์เนี่ยคนเราคงจะทราบดีนดะวิจารณ์ตรัสว่าวยะธรรมาสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อม้เป็นธรรมดาอภปมาเทนะสังขะเทนะท่านทั้งหลายทรงทางความไม่ประมาทถึงพร้อมเถอะ หรือถ้าทั้งหลายจงทงเพิ่อให้ถึงข้องนความในประมาณแต่ในอีกที่มนึีงผู้จ้าก็อระกาศนะอนิจจาวัตสังคาราอุปปาทาเวกานิโนอุปปิตวานิริันปิตเตสุปัสโมสุขโคสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงเกิดขึ้นระกับเป็นธรรมดาปราศสมบัติในสังขารทั้งหลายเป็นสุขการยิ่งทั้งสอง พุทธภาษีเนี่ยท่านก็พูดถึงเรื่องความไม่เที่ยงของสังขารแต่ในปัจฉิมว่ า, า, วาท่านบอกว่าถ้าหากจงทาความเพียงให้ถึงรองหรือทำเพื่อถึงครองหรืในความหมาคือเทียนเแต่ในอีกทีงท่านบอกว่าให้ให้ใหหวางซะไม่ได้ขัดแย้งกันนะแต่ว่าท่านพูดในคนเราแน่ก็ ก็อิงความจริงเหมือนกันก็คือว่าสิ่งทั้งปวงไม่เที่ยงขังหลายไม่แน่นอนเพราะันจะยึดมันถึงมั่นไม่ได้แต่ขณะเดียวกันชีวมลเนื่องจากมันไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยในขณะที่มีเวลาเหลืออยู่ก็ต้องทําความเตรียนการทําความเขียนคือการสร้างเหตุปัจจัยเพื่อให้ได้เกิดผลที่ต้องการเพราะว่าผลจะเกิดขึ้นอย่างไรเนี่ยขึ้นอยู่กับปัจจัยแต่ปัจจัยจเปลี่ยนผลก็เปลี่ยนอันนี้คือความแปรอนิับจำแต่เหตุปัจจัยนั้นเรา มันอยู่ในวิสัยที่เราจะประกอบขึ้นได้น่าจะไม่ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงสามารถที่จะทําประโยชน์ให้เกิดขึ้นได้ในการสร้างเหตุปัจจัยให้ถูกต้องนะอันนี้เป็นเรื่องของความเพียนเที ย, ยาแต่ทําแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างที่ต้องการก็ปล่อยวางเพราะว่าทุกไปก็ยังมีปรโยชนะอันนี้เรียกว่าทํากิจ ด, ด้วยจิตที่ปล่อยวาง นะฮะอันนี้ต้องเข้าใจทีทีทําจิตด้วยจิตที่ปล่อยวางยอมก็จริงยอมแพ้ก็จริงแต่ไม่หยอมจำนนยอมแพ้แต่ไม่ยอมจำนยอมรับความ่พยแพ้แต่ไม่ยอมจำนดก็ทําต่อไปไม่เลิกนะะอันนี้แหละคือคือสิ่งที่ เราควรจะเข้าใจแต่ว่าในที่นี้นี่ก็อยากจะให้เน้นว่าในเรื่องการสืบตนเนี่ยนะก็อยากจะให้เราทดลองใช้วิธีเทัศนของเราพูดคือว่ายอมเสียบ้างยอมที่นี่ไม่ได้หมายถึงยอมคนอย่างเดียวแต่หมายถึงยอมรับสถานการณ์ที่ที่ ไม่ถูกใจแดดร้อนฝนตกรถติดเจ็บป่ว ย, ยก็ฝึกใจให้เป็นกลางไม่ไม่ไม่ทุกข์ไม่ระทงไปกับมันไม่บวนไม่ปีโนล่ปีพา ย, ยหรือว่าเวลาสัมพันธ์กับผู้คนจะเป็นคนใกล้คนกลายจะเป็นคนในครอบคนในที่ทำงาน ก็ลองยอมเสียบ้างเพื่อเป็นการฝึกตนนะเพราะว่าไอ้ตัวกูวของกูเนี่ยอย่าที่บอกเวลาธรรมชาติของมั น, นคือมันไม่ยอมและถ้าเราไม่ยอมตามมันนะมันก็จะคมกู่ครอบงำเราไม่จบไม่สิ้นแต่เมื่อเราไม่ยอมมันไม่ยอมที่จะอยู่ใ น, น, น, นตัวธรเข้าตาของมันแล้วก็ต้องสุน ด, ด้วยการที่จะลองยอม กับสิ่งต่างๆกับสถานการณ์ที่ไม่ถูกใจเราของหายเง้นหายก็ยอมยอมรับความจริงนะไม่บน่นไม่เว น, นวายใจก็จะไม่ทุกนะเพื่อนเพื่อ น, เ พ, อนเพื่อนผิดนักอ่าเราก็ยอมไม่บน่นไม่วย น, นวายดูยใจของเรา เราไม่ทุขนาที่เพื่อนเพื่อนยังไม่ปรากฏตัวแต่เมื่อมาถึงนั้นเราก็อาจจะบอกว่าเออทีหลังไม้ตรงเวลานะอันนี้เราก็พูดได้นะอันนี้ก็เป็นเรื่องการทำกิจนะการทำกิจคือว่าเราก็อะไรที่ไม่ถูกเราก็พูดแต่เราทำด้วยใจที่ไม่ได้ทุบไม่ไม่ได้ทำด้วยความโกรธกิดที่มันโกรธก็มันไม่ยอม เพกิดมาสายก็ไม่ยอมเพะนั้นพอเจอมากาเขาก็เลยบวยวายใส่เขาบางทียังไม่ทันฟางเพื่อเลยพอเจอมีตัญหาเช่นพ่อป่วยหนักเข้าโรงพยา บ, ยบาลหรือว่าลูก ป, ป่วยหนักต้องรีบพาไปสง่งโรงพยาบาลเขามีเหตุจำเป็นแต่เราเนื่องจากเรายอมรับไม่ได้ที่เขามาสาย เรโกรดนะก็เลยไว้าวายใส่เขาโดยที่ยังไม่ทันถามหรือฟังมีตเลของเขาก็เลยเกิดเรื่องเกิดความบาดหมาเดังนั้นเะนี่ยนะถ้าเราอยากจะฝึกปฏิบัติทำจริงๆไม่ใช่เอาแต่ทำบุญนะรักษาสีแล้วฝึกจิตใจก็ก็ต้องลองฝึกพี่ใจยองบนะ้างเพื่อทวนกระแสทีเดียว เพื่อตัวกระแสตัวภูของกูซึ่งสามารถจะไปใช้กับการปฏิบัติธรรมได้ด้วยเวลาเราปฏิบัติธรรมเนี่ยนะถ้าเราวางใจเป็นการต่อทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับใจและกายหรือพู้นันคือถ้าเรายอมมันเกิดขึ้นเราก็ยอมยอมรับว่ามันเกิดขึ้นแล้วนะเราไม่ ปฏิบัติธรรมด้วยใจที่เจจาชนะคนที่ปฏิบัติธรรมด้วยใจที่เิจาชนะเนี่ยเกณฑ์ชนะความเคียบความฟูเ น, เนี่ยจะจะทําได้ไม่นานจะท้อแล้วก็เลิกแต่ถ้าเกดว่าเรายอมรับมันมันเกิดขึ้นก็เกิดเราก็จะปฏิบัติได้อย่างไม่ทอ้ทนนเอเราก็ทําได้นานอาตมาก็ใช้เวลาพอสมควรนะ เวลาที่มีก็อาจจะสำหรับการสักถามก็ได้มีปัญหาในเรื่องตัวตนนะครับมีปัญหาในเรื่องอัตตินและความลำเอียงครับยกตัวอย่างนะครับบ้านของมผมเลี้ยงนกไว้สองตัวนะฮะตัวหนึ่งตัวโตตัวเล็กตัวอย่างครับ หลังที่เป็นเรื่องจริงนะครับแล้วก็ไอ้ตัวโตเนี่ยมันมันมันมันขี่ประจบนะฮะตัวเล็กมันก็น่าดูอ่อก็ทั้งสองตัวนั้ไม่ถูกกันตัวเลตัวโตนะฮะผมก็เลยแยกให้ตัวโตอยู่ข้างนอกตัวเล็กอยู่ในบ้านแล้วแยกเป็นอยู่ที่ตัวเล็กก็นิสายไม่ดีชอบเผาก็้วนเล็กตัวโตอยู่นอกบ้านมันก็สบายใจมันทีนี้ มันเรื่องของตัวเองตัวผมเองฮะอยู่มาวันหนึ่งตัวเล็กเนี่ยมันออกไปข้างนอกแล้วมันไปหาตัวโตแล้วตัวโตตันทนไม่ไหวก็ตัดแล้วผมก็อคือนึกถึงท่านนะที่พูดดีไว้ว่าให้ปล่อยวางก็ความรัดผมลำเทียงผมลำเทียงไปรัดตัวโตเพปล่อยให้มันกัดก็เลยผมเป็นทุกข์เพราะภรยาเพาะว่าผมเพาผมเกิดความลำเทียงมียาคติ อยากจะกราบต้อนรบการท่านว่าไอ้เรื่องอย่างนี้น่ะให้ผมจะทําตัอย่างไรปล่อยวางไม่ม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ถูก อ, อก๋อในกรนี้เนี้ น, นั้นเราต้องรักษาความเป็นธรรมใช่ไหม <S <S ตัวโตแกล้งตัวเล็กเราก็ต้องอจัดการไม่ให้มีการรังแกเกิดขึ้นใช่ไหมปัญหามันเกิดขึ้นแล้วความไม่ถูกต้องเกิดขึ้นแล้วก็ต้องแก้ไข อย่างเช่นเราบอกไว้ว่าให้ยอมเนี่ยเรา้ยอมเพื่อทวนกระแสทีเละแต่เรื่องความถูกต้องเนี่ยเราอย่าเพิ่งยอมอย่ายอมง่ายๆมันต้องจัดการเพราะฉะนั้นเนี่ยอถ้าเรายอมก็แสดงว่าเราลำเอียงถูกต้องแล้วมันลำเอียงแล้วก็ไม่ถูกต้องด้วยเพราะว่าตัวใหญ่มัาแก้ตัวเล็กอ้ก็ต้องพยายามต้องห้ามนะ ตะก็จับความคิดอย่างนี้ได้ยังไงนะความคิดอะไรความคิดที่ว่าเออปกติเนี่ยตัวใหญ่มันก็มันไม่เคยทําอะไรคือมันอยู่ของมันอะไรนะ mm hmm. ในีใจตัวผมเองอะมันคิดว่าอ่ะมันก็ดังคนดางอยู่ mm hmm. ก็ถูกต้องแล้วแตนี้ตัวเล็กอะไปทาเข้าก่อนอะไรเงี้ยไปไปแย่ให้มันเกิดโผงอ mm ่ะ hmm. แล้วตัวผมเองจริงๆมันต้องไปท้าม นี้เมื่อเห็นว่าไอ้ตัวเล็กเนี่ยมันทำก็ก่อนก็เลยกเกิดความรู้ย่งในใจครับออถ้าเราเราทำเราถ้าเราเห็ น, เ ห, นเห็นว่าเออการที่ตัวโ ต, วตวไปกัดตัวเล็กเป็นการสอนอย่างหนึ่งถ้าเราคิดแบบนี้แล้วเราก็ปล่อยให้มันเกดก็ไม่เป็นไรอันนี้ง่ายว่าเออเราก็เราทําด้วยเหตุผลที่ดีคือเราทำเพราะต้องการที่ตัวเล็กเนี่ยได้ได้มีทิสัยที่ดีไม่เป็นรังแกรหรือรบกวนตัวให่ แต่ถ้าเราทําด้วยความนองเอียงอันนั้นเป็เรื่องคือเจตนาที่เราที่เราที่เราปล่อยให้ตัวตัโตกับตัวเล็กนี่ปล่อยไวถ้าทําด้วยความนองเอียงก็ไม่ถูกแต่ถ้าเราทำเพราะเราคิดว่านี่เป็นสิ่งที่ช่วยทำให้ตัวเล็กเนี่ยไม่ไปอันตรธานหรือว่าไม่ไปเกาะแก่ตัวใหญอันนี้อาตมาคิดว่าเป็นเป็นเรื่องที่ดีแต่จะได้ผลยิ่มากอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมแต่ทําด้วยเจตนาดีแต่ถ้าทําด้วยความแบบเอียงมันก็ไม่ดี เด็กก็ต้องยอมรับความจริงนะว่าสาัตว์บางตัวก็มีธรรมชาติของมันหมวบางชนิดมันก็เห่าอย่างเดียวอ ล, ล้วพอเขาจะบ้าเรืปากปากรอนนะก็ต้องยอมรับความจริงว่ามันมีนิสัยอย่างนั้นใช่ไหมคือจะห้ามจะห้ามไม่ให้มันมีนิสัยมันก็ยากเลยเพราะธรรมะไม่สุดก็มันเลยเนี่ยเขาก็ต้องเห่าตบบะบันเห่าตะที่ตะบันเนีะเราก็ต้องยอมรความจริงแล้วอย่าไโปโกรธเขา ใช่ไหมถ้าเราไม่อยากรับความจริงเราก็จะไม่ชอบเขาว่าทำไมเขาชอบเขาส่นส่วนอาจจะเป็นความรับผิดชอบของเราด้วยที่เราไม่สอนเขาใช่มดังนั้นเมื่อเป็นแบบนี้เราก็ต้อมยอมรับอย่าไปทุบ ก, กับเสียงหาของเขาวางใจเป็นกลางเพราะว่าไม่ได้เสียหายอะไรเมนข้าสมัยการเหมือส่อนนี้ ขอาละ น, นะครับไม่าวาานใดมีข้อเสนอไหมครับถ้าเระต้การถานจะมีไม้อยู่บริเวณสาแลครับถ้าตอนนี้จะอยู่บนโต๊ะแล้วก็เราจะอยู่ตรงเสาครับใช้ไมฐถานได้เลยนะครับ จริงแล้วเนี่ยสิ่งที่น่ากลัวเนี่ยมันไม่ได้มาจากหนามาจากใจของเขาซึ่งอาจจะเกิดจากการปรุงแต่งหรืออาจจะเกิดจากปรุงหลังบางอย่างาในกรณีอย่างนี้เนี่ยจะมาแนะนำนะว่าจะต้องตั้งสติแล้วก็เผชิญหน้ากับสิ่งนั้นโดยไม่เกิดเสสโดยไม่เกิดเสสไม่คิดจะกดข่มและไม่คิดจะถอยหนี อัตวามีเรื่องรล่อยู่สองกรณีนะมีเด็กคนนึ่งอายุสักเ้าสิบขวบเนี่ยแกแกฝันร้ายเป็นประจำแล้วเวลาฝันเนี่ยก็จะฝันว่ามีสัตว์ปีศาจร้ายเนี่ยสามสี่ตัววิ่งไล่แกแกก็จะวิ่งหนีพี่เนี่ยกลับบ้านวิ่งแบบไม่คิดชีวิตเลยแต่เราพอถึงบ้านหลัหงมืดแกก็จะรียเปิดประตูเพื่อที่จะไปซ่อนตัวในบ้านนะแต่พอเปิดประตูไปเนี่ยไม่ใช่จะปิด ปีศาจร้ายก็วิ่งครูลอดประตูเข้ามาและพอเธอวิ่งไปถึงวิ่งไปก็มันก็จะเจอผนังหรือหรือว่าหรือว่ากําแพงหรือกําแพงบ้านสนามบ้า น, นมันไปไหนไม่ได้นะเธอต้ตกใจยิ่งขึ้นเพราะว่าปีศาจร้ายก็จะวิ่งเข้ามาแล้วตอนนั้นแล้วก็ตื่นนะตื่นก็ อารมณ์ก็เรียกว่าติดปบกันไเพราะว่ามันน่ากลัวมากแ้าเป็นอย่างนี้อยู่หลายครั้งวันหนึ่งเธอก็ไปรลให้เพื่อนฟังก็สารไลายเพื่อนก็ถามเออเพื่อก็ดูสนใจนะแล้วมันหน้าตาเป็นยังไงเ่ี่ยไอปีสาจเนี่ยเด็กเป่อไม่นะ่เพราะว่าวินงอย่างเดียววิ่งแบบในชีวิตเลย ตอบไม่ได้วงนาคาไป็น่ังไงมันก็เป็นคําถามในใจเลยนะแล้ววัหนหนึ่งแกก็คืนวันหนึ่งแกก็ฝันเหมือนเดิมฉากเดิมที่สาลาวิ่งไล่แกก็วิ่งหนีเข้าบ้านอีกบ้านไม่ทันจะปิดประตูทันมันก็รอดเข้ามาและไล่เธอตัวทั่งไล่ตามเธอจนกรั่งเธ อ, อเนีย่ยวิ่งจะปิดข้องสาฉะนั้นตกใจมากว่ามันกำลังจะเข้ามาขย้มส ก, กัดตัวเธอแต่ว่าช่วงขณะนั้นเนี่ย เธอจำได้ว่าเธอจำได้ว่าเพื่อนถามมาหน้าตามเป็นยังไงทําไงก็เลยหันหน้ามาดูว่าหน้าตามเป็นยังไงพบอกว่าพอเผชิญหน้าเลยปีศาจร้ายเนี่ยมันก็ไม่มาขย้ำมันก็โดดยงเย็นตรงนั้นอยู่ข้างหน้าเธอแล้วเธอก็พบอกว่าไอ้หน้าตามคุณเนะหน้าตามคุณ เมื่อเกิดขึ้นมาเธ อ, เธอก็พบว่าอ๋อที่แท้ปีสาจร้านเนี่ยคือปีศาจที่เธออ่านในตัวในหนังสือตุตนั่นเนองก่อนนอนมันเป็นปีสารจากหนังสือตุนและรายการนั้นเธอไม่ไม่ฟังเลยเพราะไม่กลัวมันนะพอเจอหน้ากับมันพอเห็นมันเนี่ย มันก็หมดที่สมมีกรณีนึงนนอันนี้เป็นผู้ชาตัวก็มีก็มีอายุแล้วนะแต่เล่าว่าเวลาแต่นั่งสมาธิเนี่ยพอนั่งสมาธิจะอิดสมองเนี่ยจะเห็นมือโผล่ขึ้นมาข้างหน้าในความรู้สึกเนี่ยมือนั่นเนี่ยมันค้ายมือพอ่อ เป็นมือพ่อที่ตีเปยมีติ่นประจําตอนเด็กพอเห็นมือพ่อเนี่ยแกก็ตกใจกลัวแล้วแกก็หยุดนั่งสมาธิแกเลิกเลยเพราะกลัวมันเป็นความกลัวที่ฝังตั้งแต่วัยเด็กถูกพ่อตีประจังที่ว่าจะหนีเพื่อจะหนีมือที่พ้นเพราะว่าใ น, น, ใ, นในสมาธิมันมาอยู่ เมื่อนั่งมาที่ดีอเขาท่านเขานั้งสมาธิทีรทไรอ่างนั้นก็มาจนท่านในสุดตัดสินใจไม่นั่งสมาธิแต่ว่ามันก็ทําให้เขาเสียโอกาสใช่ไหมเพราะว่าการเข้าเห็นว่าการนั่งสมาธิมีของดีแล้วมันหน่คิดว่าถ้าเขายังหนีต้องยังเป็นนี่ต่อไปเนี่ยไม่มีความที่เขาจะนั่งสมาธิได้วันหนึ่งเขาเลยที่ว่าอยากจะเอาชนะ อยากจะให้ก้าวข้ามสภาพเช่นนี้ไปให้ได้แล้วพอหน้าสมาธิเขาก็เห็นมือมันมาอีกความรู้สึกกลัวเกิดขึ้นแต่เขาเนี่ยตั้งใจแล้วว่าจะข้ามตรงนี้ให้ได้เขาก็เลยตั้งสติตดูมือแล้นคือแทน ท, ที่จะเลิกเลยเนี่ยเขาตั้งสติตดูต้องใช้ความกลา้าและความกลัวมันเกิดขึ้นมันเป็นความกลิ่นฝังลึกในจิตใจมามาช้านาน เขาดูมือบอกว่ามือเนี่ยที่สีแรกเนี่ยขาคือเป็นมือที่จะตีเขาอะเป็นมือที่เคยตีเข้ามาก่อบที่ทำให้เขาขวาวมาตั้งแต่เล็กเนี่ยที่แทนเป็นเป็นมือที่คล้ายกับกำลังจะขออะไรบางอย่างมือที่กำลังจะขออะไรบางอย่างเห็นไหมไม่ใช่มือที่จะตีและช่วงตอนนั้นเองที่ทําให้เขาเกิดความเข้าใจข้อของเขา เมื่อเขาออกจากสมาธ่เนี่ยเขาเข้าใจแล้วพ่อเขาคือเขาย้อนลึกไปเพราะว่าพ่อเขาเนี่ยสมัยที่เขาเป็นเด็กๆ เ, เนี่ยนะพ่อเนี่ยเป็นเป็นคนทำงานแบบนี่ว่าตัดต้อยมากแล้วก็ถูดูถูถูร่งแก้ด้วยโดยคนในสำนักงาน แกก็มีความเครียดแต่มาบ้านเนี่ยก็เอาความเครียดใส่ลูกใส่เมียตีนะตกแต่ลึกๆเนี่ยพ่อต้องการความรักจากคนในครอบครัวเพราะว่าไม่มีความรักไม่ได้รับความรักจากใครเลยเพ่อต้องการความรักแต่ลูกมันขาดความรัก แล้วก็ปรารถนาความรักจากคนใน่ครอบครัวจากเมียจากลูกแต่ว่าการกระทำของพ่อด้วยความโกรธด้วยความเครียดมันก็ทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถจะได้รับความรักจากคนในครอบครัวได้ลึกๆพ่อโหยหาความรักและสิ่งที่เขาเห็นในในในสมาธินี้มันคือมือที่ขอความรักจากลูก ตอนที่พ่อแก่แล้วพ่อนีก็แย่ yeah. พอแก่ถึงตรงนี้เนี่ยแกหลุดเลยนะความโกรธความเกลียดข้ อ, อมีแต่ความรักความเข้าใจข้อมาแทนที่แต่นั่นคือจุดที่ทํำให้แกเนี่ยหันมาคืออยู่กับพ่อได้ได้แล้กตอน น, น, นั้แกนั่สมาธิแกไม่เคยเจอมืนั่นเลยนะฮะประเด็นคืออะไรสองสองกรณีที่ปรเด็นคือว่าเผชิญหน้ากับมา ด้วยสติไม่ใช่เอาชนะมันนะแต่ก็เชิ่ ม, มันด้วยสติดูมันซึ่งก็ตรงกับหลักศาสนาเลยว่าสิ่งใดที่ยายมกดข่มมันจะยังอยู่สิ่งใดที่เรารู้ซื่อๆรู้เ็ยๆเนี่ยมันจะหายไปนะเพราะฉะนั้นกรณีของลูกชายเนี่ยเราเชื่อก็ยางนี้ แล้วไปอยากทิ้เอาชนะอยากกดข่มดูเฉยๆยอมยอมให้มันเกิดขึ้นแต่ไม่สนใจมันมันเกิดขึ้นก็อย่าไปสนใจมันแค่รู้เฉยๆถ้าพยายามกดข่มมันมันยิ่งโผล่ยิ่งขุดไม่เลิกจริง ม, มีคนมีประหาอันนีอ้บาองคนได้ยินเสียงแววว่ า, วา แต่ เ, เสียงคำพูดแป่เสียงความมันก็เสียงความที่มันพูดเนี่ยกล่าวโจ่งจากพระเจ้ากล่าวโจ่งจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่เมื่อก็เสียงพูดเนี่นะมีคนมาปรึกษามาเยอะเลยสมาก็อบอกว่าให้ให้รู้มาเฉยอย่าไปอย่าไปอย่าไปทำอย่าไปพยายาปลดของมันหายมันจะเกิดก็เกิดช่างเดี๋ยวมันก็จะหายไปเอง ทีนี้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งในการช่วยเยียวยาความเศร้าโศกเสียใจที่รู้จักไปแล้วก็ลึกๆอาจจะเป็นการบรรเทาความรู้สึกผิดบางอย่างที่เขารู้สึกหรือเขามีตับลูกอาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่ค ว, มขขความรู้สึกผิดแล้วก็ด่วนทาอะไรนะอันนี้เป็นวิธีการการที่จะบรรเทาความรู้สึกผิดนอกไปจากความเศร้าโศกเสียใจ พเพราะคนตามบางทีรู้สึกผิดแล้วก็อเราจะไดวามดีให้กับเขาเป็นการตอบแทนก็ใช้วิธีนี้ตามตามความคิดของตัวเองแต่ว่าใจก็ยังมีความผูกพันอาจมาที่ว่าถ้าหากว่าช่วยทาให้เขาคลายความรู้สึกผิดได้จริงๆนะ มันก็ช่วยทําให้เขาเนี่ยปล่อยวางลูกของเขาออกไปได้แต่เรื่องนี้เนี่ยมันก็ต้องมันก็ต้องมันก็ต้องแยกคายนะอ๋อไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกับคนเที่ยัอยู่หรอคนที่ยังอยู่จะทำยังไงก็ตามมันก็ไม่เกี่ยวกับเขา ใช่ไหมมันคงไม่อยู่แล้วล่ะก็ก็ไปเรียกว่าภาษาสบานเราไปติดเบิกแล้วใช่ไหมอ่เล้ออันนี้ก็ไม่แน่นะว่ามันเป็นความอยากในใจเขาีอยากที่มันเป็นใจที่เขาอยากจะเห็นลูกเรา แต่ก็เป็นไปนได้ถ้าเป็นเช่นไั้ก็อาจจะเป็นเพราะว่ามีความห่วงมีความกังวลมีความผูติอะไรบางอย่างอันนี้ก็เป็นไปนได้มันก็มีสองอย่างคือว่ามันมีความห่วงนั้นเนี่ย คือความหวมันก็เกิดก่อแต่ความยึติดของเจ้าตัวที่ตายไปใ็้มีความหวงอยู่มีความยึดติดอะไรบางอย่างถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าไอ้ความนนยึมดตินั้นเนี่ยมันได้รับการสากสารก็จะทำให้ปล่อยวางได้ง่ายหรือไม่เชนั้นเนี่ยก็ต้อง อสื่อสารให้เขาได้รู้เพราะว่าเป็นเรื่องกินนะต้องสื่อสารให้เขารู้ว่า mm hmm. เขา mm hmm. ควรจะปล่อยวางได้แล้วแล้วก็ไปที่ชอบที่ชอบถ้าเกิดว่ามันไม่มีกรณีแรกก็คือว่ามันมีอะไรที่อย่างค้างไคล้ถ้ามีควางคลัง่งไคล้ต้องจัดการแต่ถ้าไม่มีแล้วแต่จิตใจที่อมีที่ติดเองก็ต้องปล่อยวาง ปฏิบัติอย่างไรก็อคือถ้าหากว่าเขายังอย่ากที่มาบอกถ้ายัางมีความค้างคามีความรู้สึกผิดอะไรบางอย่างเนี่ยคือมาไม่รู้ว่าที่เขาเห็นเป็นจริงหรือเปล่ามัอาจจะไม่ใช่จริงก็ได้เพื่ออาจจะไม่มีจริงแต่ว่าเขาเห็นและการที่เขาเห็นเนี่ย เ, เป็นเพราะมีความผูกติด และความผุตีนี้เกิดความรู้สึกค้างคาและขอยงยาที่ทอมแม่เขาเยอยากจะเห็น mm hmm. นะคือทอมแม่แม่ปฏิเสธแล้วคนที่เพิ่งตาแล้วมามาปรากฏตัวเนี่ยอัตมาไม่ปฏิเสธแต่ถ้ามันหลายปีนี่นี่นะเนี่ยหลายปีถ้าสีห้าวันเนี่ยแล้วก็มาปรากฏตัวเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมเพราะว่าอัตมาได้ได้ฟังบ่อยมากแล้วก็เป็นคนใกล้ๆที่เขาบอกเขได้เจอนะแต่ถ้ า, าหลายปีเนี่ย ก็สันนิษฐานว่าเด็กอาจจะเป็นกหญ่ได้หรือเปล่าที่เขาเองเนี่ยมีความผูกเหมือนตัวพ่อแม่เนี่ยไม่มีความผูกติดเพราะความรู้สึกติดค้างคาอะไรบางอย่างอันนี้ตำมาเจ้านะไม่รู้ว่าสีเขาเหไหนเป็นจริงก็ได้เพราะก็มีบางลายมีบางลายที่เขามีบางลายก็นับไปยอมรับนะว่าผ่านไปหลายปีก็ยมีคนเห็นนะ เป็นผู้เท่าเลยเนี่ยนะซึ่งมันจะเห็นกันหลายคนยตรงนั้นท่านไม่ชื่อว่าเออมันเป็นไปได้แต่ว่าในกรณี น, น, นี้เนี่ยธรามะก็สังเกต่าว่าก่อนว่าอาจจเป็นความความความรู้สึกติดหรือติดค้างของผู้ที่ยอยู่ที่ทําให้เห็นแล้วก็โหย ห, หาก็ต้องเคลียความรู้สึกนี้เคลียความรู้สึกนี้ให้ได้ทำในสิ่งที่เราคิดว่า ตรงความถูกต้องนะมันมีวิธีการที่จะมันมีวิธีการที่จารณการเที่ยวยาเยี่ยว ย, า, ย, วยาติดใจเขาเช่นพินอาการสมุนท้องเขามาแล้วก็อยากจะพูดอะไรกับเขาหร่จะขอโทษเขา mm hmm. ก็พูดบางก็คือถ้าได้ขอโทษได้ขอเข้ามาขอบอโหสิ mm hmm. สมมติว่าเขากำลังฟังอยู่ต้าหน้าเราก็ช่วยได้มีวิธีนี้ก็าจจมาก็รู้สึกว่ามันช่วยเคลียร์ความสุขิทธของคนหลายคนว่าเวลาเขาไม่มีอะไรติดทางใจแล้วก็ได้เชิญเชิญมาแล้วบอกความจริงใจในที่เชิญมาเนี่ยจะไม่มาจะไม่ได้มาอาจจะไม่ได้มาจริงจริงไม่แน่แต่ว่ า, า, าความสุขิทธิ์เขาเขารู้สึกว่ามาประกขวดแล้วก็มาฟั ง, ขงเขาบอกความจริงใจ แต่ถ้าเป็นเรื่องที่เป็นเป็นเรื่องของวิญญาณที่ร่องรอยอันนี้สมาก็ไม่ทราบละเพราะความไม่ได้ไม่ได้ฉลาดทางนี้ใช่ เคยยินแบบใกล้ๆลำโพงเนะลำโพงอยู่ต้องราคาลำโพงอะประมาณนี้ยังไม่ได้เนาค่ะเคยเคยนคนเขาแต่เาบุดว่าเออแบบแนตป้องปกป้องคุณราชการนาอะไรเงี้ยอยากทราบถึง เงี้ยย่างนะเมนขั้นที่เราควรจะบอกว่าเระบอป้องอออแค่ไหนอะไรมาเนี้ยค่ะคือหมายความว่าคือหนูอะเลยเขาปเป็นิศวไฟเนวกงานดีไซน์เนี่ยค่ะแล้วเขาเหมือนแบบว่าเอารูปคลาอาคารแบบปรูทงอย่างเงี้ยหมือนไปวอช็อปให้เหมือแนบบใส่ใส่แบบแว้นตาอะไรมาเี้ยแต่เราก็มีคนไทตัวนึงที่เข้าไปเขียนว่าแบบไอ้ e y, นี่ไม่ใช่งานดีไซน์ไม่ดีอะไรเงี้ยไอ้ตัวเองก็ยังแล้วแ้วขาก็เขียว่ า, วา e, ที่มันจะเห็นต้างสารเลยอะไรเงี้ยประมาณ แต่ก็ถ้าไม่ใช่คนไทยอะค่ะก็จะมีคนบางคนบอกต้อเขียนว่าเอ้ยนีมันคืองานซน์ที่เรนว่านี่มันเป็นเพื่อขำอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแล้วก็เลยสงสัยว่าจริงๆแล้วว่าเหมือนคนพูดอะไรเงี้ยค่ะคือควรจะเอ้มีกันมากแค่ไห น, นคือเข้าใจว่าเหมือนกับศาสนา พ, พูดจริงๆแล้วไม่ควรจะยึดติดอ่าเพราะมันก็เป็นอะไรที่มันเปิด น, น, นอ ก, กคือแกไม่ไม่ควรจะอะไรอย่างนี้แต่จริงๆแล้วคือคือคื อ, คอเราสามารถ เนี่ยอ้คือคือถือว่าเป็นการผิดไหมจริ ง, รงๆเราถ้าไม่นับเรื่องของชาวพุทเป็นการผิดมากไหมแค่ไหนประมาณอย่าเงี้ยค่ะ ข, ขอจะเข้าใจนะคะหรือขอโทษค่ะคือใจจริงแเขาคงไม่ที่จะลบหลู่ดูหมินนะแต่ขเข า, า จ, จะไม่ได้เซสชีมเหมือนชาวพุทธเขาก็อาจจะทําตลกไปแต่ในเรื่องนี้เนี่ยสําหรับชาวพุทธก็ต้องใช้ท่าทีแบบชาวพุทธเช่นทูทจะจัดไว้ว่า เมื่อใดก็ตามที่มีคนดูถูกดูหมิ่นจูงใจพั ก, วกผู้กระทันประส์เนี่ยอย่าอย่าอย่าโกรธเราอย่าโกรธท่านผู้กระทันประนะซึ่งว่าเอามาใช้กับชาวพาวาุทธคารวัได้ทว่าอยากโกรธให้พิจารณาว่าที่เขาพูดนั้นจริงไหมนะถ้าจริงเราก็แก้ไขถ้าไม่จริงเราก็อธิบายให้ถูกต้องน่ะ อันนี้ก็เป็นภาพที่แบบชาวพุแต่ต้องกเรกิ่มต้นจากการที่ไม่โกรธไม่ไม่เกลียดและคราวนี้เนี่ยจะว่าไปแล้วเนี่ยไอการที่ทำโฟโต้ช็อปเะนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ทําให้พุทธศาสนาสั่นสะเทือนคือถ้าพุทธศาสนาสั่นสะเทือนเพราะการทําแบบนี้เนี่ยแสดงว่าพุทธศาสนานี้อ่อนแอมากใช่ไหเมืเม่ออาการที่มีคนมาต่อว่าเราแล้วก็เรานิ่ง เป็นลมล้มพับเลยเนี่ยแสดงว่าเรามีอ่อนแอมากแต่คนที่เข้มแข็งเนี่ยใครก็มาต่อว่าเราหรือหยอกล้อเราล้วก็เฉยเราก็ยิ้มได้น่าเสื่อความมัน่นคงแลสิ่งที่เขาพูดศาสนาอ่อนแอนไม่ใช่ไม่ใช่การกระทำแบบนี้แต่เป็นชาวพุทธกันเองที่เอามปาปฏิบัติตามคําสอนอ่า แต่ว่าทำตรงข้ามก็จะทาให้เอคนเนี่ยสูญสัพพันธ์พุทธศาสนาแล้วถ้าเราทำตรงข้ามเนี่ยมันก็จะไม่มี ป, ประจักษ์พยานที่จะทําให้คนได้เห็นว่าพุทธศาสนาหรือพระธมที่แพร่เขื่อการปกป้องพุทธศาสน า, าที่แท้จริงก็คือการทําให้พุทธศาสนาเนี่มั น, มนมสถิตอยู่ในหัวใจของคน ผู้คนต้องมีความรู้เรื่องพุทธศาสนาแล้วก็ปฏิบัติถูกต้องตามหลักพุทธศาสนาถ้าพุทธศาสนาอยู่ในหัวใจของคนเนี่ยมันจะไม่ถูกไฟทลายพุทธศาสนาได้แต่ถ้าเมื่อตามที่พุทธศาสนาอยู่ในหัวใจของคนแต่ไปอยู่ที่วัดไปอยู่ที่ประเพณีพิธีกรรมตรงนี้อันตรายเพราะว่าถ้าหากว่าวัดถูกทําลายพิธีกรรม ไม่มีใครสู่ต่อพุทธศาสนา ก, ก็สูญหายไปเราจะฝากพุทธศาสนาไว้กับสินภายนอกแต่ต้องเอาพุทธศาสนาเนี่ยมาตั้งบ้านเมือง ใ, ใจมรัยได้แต่แน่นอนสินภายนอกก็เป็นเป็นสิ่งที่ช่วยเหมือนกับเปลือกมันก็เปลือกนี่ก็มีปรโยชน์ในการที่จะรักษาเนื้อนั้นไม่ให้ไม่ให้ถูกมแมลงกัดกินแต่ว่าสิ่งสําคัญเนี่ย เราไม่ได้กินเผื่อกเรากินเนื้อเนื้อมีประโยชน์มากกว่านี่เราต้องทำให้พุทธศาสนามันมีในหัวใจของผู้คนเป็นหนึ่งในหนึ่งในแบบชีวิตของเราถ้าเมื่อเสร็จแล้วนี่เราก็อาศัยสิ่งภายนอกเช่นอาศัยอาคารอาศัยสถานที่เป็นเครื่องในการสื่อต่อพุทธศาสนาเช่นท่านศาลาแบบนี้เราก็มันปฏิบัติทำแสดงทำได้แต่ถึงไม่มีศาลาเราก็ยังแสดงทำปฏิบัติทำมันได้ใช่ไหมในป่าและยิ่งถ้าเรา สามารถจะน้อมนำาบ้านอยู่ในใจเราได้ใครเห็นเขาก็ชื่นชมถึงแม้เราไม่พูดอะไรมาเลยเขาก็ได้รับสัมผัสถึงความเย็นหรืออนิสง์ของพระธรรมซึ่งก็ทาให้เขาเกิดศรัทธาได้มีเรื่องเล่าว่าน้องชายรัดน า, ดาได้ปฏิบัติเศรษฐีให้มาบวชกับแล้วก็บแทนพก็ไดบรรลุธรรมท่านสูง นะวะนหนึ่นท่านอยู่ในป่าก็มีเทวดานี่มาโปรยดอกไม้มาสรรเสริญพุทธศาสนาท่านเขาก็บอกว่าเมื่อท่านแสดงธรรมใดๆเลอะเหลือเกินท่านก็ตอบว่าเรายังไม่ได้แสดงธรรมเลยเราไม่ได้พูดอะไรสักอย่างเราแค่นั่งอยู่เฉยๆเทวดาก็บอกว่าเพียงแค่ท่านนั่งอยูอย่างสงบนั่นเนี่ยก็ถ้ากิดว่าท่านได้แสดงธรรมแล้วเห็น ไ, ไหมไม่ถึงได้ว่า การที่เราเป็นการที่เราเป็นหรือมีธรรมะอยู่ในใจเนี่ยนะมันมันเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับการที่จะรักษาพุทธศาสนาเป็นสิ่งสำคัิที่สุดของการเผยแผ่ธรรมที่จะไม่มีวันเสื่อควายไปได้ง่ายๆที่เบสเนี่ยนะถูกคอมมิสเล่นงาน มาจนเกือบปีนี้ก็ห้าสิปีแลยนะห0สิบกว่า5้าสิบปีแนละ้วทั้งเผาวัดทั้งเผาตำราซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสุดายมากทั้งจับภาพเข้าคุกบางทีก็ฆ่าแต่พุทธศาสนาในที่เป็ดก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เสื่อหายไปเลยใช่ไหมยังอยู่แล้วก็แล้วก็ยังมีพลัง ได้ยังสามารถจับแผลเผื่อแผ่ไปสู่คนจีนคนจีนที่สมาธานพุทธศักระมาทิพย์เด็กเพมเยอะนเยอะ้นะเพราะนั้นเนี่ยมันไฟที่แท้จริงไม่ไอยู่ที่ภายนอกไยที่แท้จริงอยู่ที่ในใจของเรารอยู่กับชาวพุทธนะอัน น, นี้สำคัญกว่าลแล้วแบบน้ก็คงเกี่ยวกับที่แตบ ก, กรารเนี่นทยทำอะไรอย่างเ้ยมคะที่เขาแบบว่าพูดกับคนศาสที่เขากับ ที่รองกันไม่ได้งานนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเป็นเรื่องเอนกับว่าเขาคิดว่าบอกข้อสัญญาแต่จริงมันใช่อะไรอ่างเง้ยเรื่องราวจริงๆมันไม่ใช่เป็นเรื่องศาญนามันเป็นเรื่องของความความบาดหมางกันระหว่างคนต่างเรียกว่าต่างเชื้อชาติต่างเผ่าพันธุ์โรฮิงญากับคือคือพม่าเนี่ยมันมีหลายเผ่าพันธุ์นี่กมบคนไทยพวกโรฮิงญานี่ก็เป็นเผ่าพันธุ์เลย พวกเมียนมากก็เผาพันธุ์ก็เรื่อชาติพันธุ์แล้วเป็นธรรมดาชาติพันธุ์นีย่อมมีความไม่ถูกกันถึงแม้ศาสน า, าเดียวกันก็ตามเช่นไทยกับพม่าเนี่ยก็ศาสน า, าเดียวกันแต่ว่ายังมีคขมนบกันใช่ไหมหรือว่าไทยกับขมิบกับลาวเนี่ยไม่ยังคขมิบกันแต่ว่ามันเป็นปัญหาเรื่องชาติพันธุ์แต่คนชาติพันธุ์เนี่ยเวลาหน้าถือศาสน า, าต่างกันเนี่ย มันก็สามารถที่จะลุกลามไปเป็นเรื่องของความขัดแย้งระหว่างศาสนาได้ในปัญหาชาตินิพพานในเข้าเนี่ยเกิดขึ้นเกิดขึ้นอย่างแพร่หลายมากไทยใหญ่มอญเจรียงเราว่าพวนที่ต่อสู้กันเองนะแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นความขัดแย้งระหว่างศาสนาแต่เป็นไปได้ง่ายที่มันจะลุกลามไปเป็นความขัดแย้งระหว่างศาสนาถ้ า, ามันเขาต้องการจุดประเด็น เหมือนกัภาคใต้มันบบนั้นภาคใต้มันเป็นปัญหาเขาแย่ที่ไม่ใช่ศาสนานอันนี้ไม่ใช่ เ, เรื่องชาติพันธุ์ด้วยซ้ำแต่ว่ามันต้องมีความพยายามที่จะปลุกให้เป็นเรื่องของความพยายระหว่างศาสนาเพราะศาสนาเขาปลุกแล้วเนี่ยมันมันระเบิดได้ง่ายคนบางคนก็ต้องการานั้น ก็ดีแล้วนะพ่อแม่จะเป็นอรหันต์ของลูกนะมีระลึกถึงท่านเอาไว้ก็เป็นเครื่องสร้างความสงอุ่นใจแล้วก็ทําให้เรายัางเดินเนินตามความสัมพันธ์ท่าน<ต>คือท่านท่านจะอยู่หรือไปไม่ได้อยู่ที่เราอยู่ที่การของตัวเองการนี้ม่มีใคร กาฝืนได้นะหรือถ้ามีเหตุให้ให้ไปเกิดในสวรรค์ก็ต้องไปอยากจะมเนเวียนวนเวียนอยู่กับโลกมนุษย์ก็อยู่ไม่ได้เพราะว่ากรรมมันผลักใช่ไหมเรื่อกรรมมันส่งแต่ที่พระพุ ท, จ ะ, ทจะบอกคนเราเป็นไปตามกรรมไม่ได้เป็นไปตามความอยากพ่อแม่ตายไปแล้วอยากอยู่กับลูกแต่ว่ากรรมเนี่ยสุน่งให้ไปสุภเดก็ต้องไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไมไ่ที่ความป่าถนาของเราหรอก ใ น, นที่กางของเขาไม่ผิดถ้าเราทําแล้วเนี่ยเรามั่นจะทําให้เรามั่นคงในความดีทําให้เรารู้สึกอบอุ่นใจอยากจะทําความดีมากขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเราทําแล้วเนี่ยเราหวังพึ่งพาท่านหวังให้ท่านดนบันดานให้ประสบความสุขความเจริญหรือว่าถูกหวยรวยเบอร์เนี่ยอันนี้อาจจะไม่ถูกการหลักเพื่อศาสนาเพราะว่าเป็นการหวัง ขึ้นพาอำ น, นาจโดนบันดาลที่ไม่รู้จักขึ้นตนเองทำอะไรก็ตามแล้วทำให้มั่นคงในความดีมีศรัทธาในในธรรมะเนี่ยคือว่าดีทั้งนั้น ก็อาจจะเป็นเสียงอนุโมทนาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราสัมผัสได้ก็ได้เ น, นี่นนนนนนยธรรมะไม่อระดิษฐ์ก็เป็นไปได้เพราะบางคนก็มีเซนทางนี้นะหรือว่าจะเกิดจากการที่เราเนี่ยผูกพันกับเสียงสดมนเวลาเราทำความดีแกแเราก็จะ น, นึกถึงเสียงสดมนนะก็ได้ อันที่มันเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นเป็นเรื่องความภาษาความเรื้อ i d e n t i f i c a t i o n หรือว่าความผูกพันนะครับอย่างเช่นที่เราเช่นที่เราเคยที่ทดลองสัตว์ให้เวลาเวลาเวลาให้อาหารหมาเนี่ยให้เสร็จปีละครังให้เสร็จ ป, ปีละครังนะหรือก่อนให้ใน ป, ปีละครัง ต่อมาเนี่ยพอเสียระพังปุ๊บเนี่ยยังไม่นานจะให้อาหารเลยน้ำลานก็ไหลนะเพราะอะไรเพราะว่ามันนึกถึงอาหารมันเห็นภาพอาหารมันนึกถึงรสชาติอาหารมันออกกันเลยเรียกว identityation เรีว่าความผูกพันความความเชื่อมโยงระหว่างเสียงระหว่างเสียงกระังกับอาหารคนแล้วก็เป็นยงไงนะ แค่นึกถึงแท็กซี่เนี่ยน้ำลายก็ไหลแล้วแท็กซี่ก็ทําได้ขนาดนี้นะแค่นึกแท็กซี่เน่ยโอ้โหมันอยากจะกินไม่มารู้บางคนเน่แค่เห็นเห็นเห็นเล่าเนี่ยนะเห็นเห็นแค่เห็นแค่ขวัญเล่าเนี่ยหรือว่าโกงเล่าเนี่ยก็เปรี้ยวปากแล้วใช่ไหมนั้นอันนี้ก็เหมือนกันเวลาอย่างเช่นคุณทําความดีแล้วก็นึกถึงพระสวดมนต์เนี่ยก็จะได้ยินอันนี้ก็เป็นธรรมที่บาลเลงหรือคุณได้ยินจริงๆ จากจากจากสื่อเอาจากสิ่งที่สัมผัสจับต้องไม่ได้ก็เป็นไปนได้ ก็ดีแล้วเรามันก็ทำให้เราเกิดแรงจูงใจในการทาความดีทำความดีมส่วนมากขึ้น ที่มันพออาจจะพอมีสมาธิในช่วงนั้นสติอาจจะออกลงไปหน่อยก็อาจจะเลือหรือบางทีก็ตกขววนไปเลยก็ได้มันก็เกิดภาวะเช่นนั้นขึ้นมาก็ธรรมดา ถ้าเรารู้สึกไม่สบายใจเราก็เราเว้นที่จะไม่ใส่บาตรท่งก็ได้ฮะก็ได้น ะ, ะเพื่อความเพราะว่าเราทําบุญเพื่อความสบายใจแต่ว่าไม่ผิดไม่ผิดอแต่ว่าเราจะอันนี้มันมันถ้าเราถ้าเราไม่สบายใจเนี่ยนะถ้าเราทําไปเนี่ยมันก็จะเกิดความหม่นหมอง แต่ว่าอาจจะลองฝึกก็ได้ว่าฝึกว่าเออท่านในถึงแม้ท่านจะอยากได้นู่นได้นี่แต่เราก็จะถวานในสิ่งที่สมควรแก่ท่านไม่ใช่สนองความอยากของท่านนะท่านจะรับหรือไม่รักเป็นเรื่องของท่านเราทําความดีแล้วผู้รับจะรู้สึกอย่างไรเป็นเรื่องของเขาเราทําหน้าที่ของเราแล้วลองฝึกแบบนี้ดูบ้าง พอบ่อยครั้งเนี่ยเวลาเราทาความดีบางคนอาจจะไม่เข้าใจแต่นั่นก็ไม่แปลว่าเราจะเลิกทำความดีแล้วก็ฝึกโลกธรรมด้วยฝึกง่ายๆคื่ว่าเราไม่ติดกับโลกธรรมโลกธรรมคือว่าติดกับความสารเสริญหรือว่าวันไหวกับความติฉิมินทาใช่ไหมคนเรานี่มักจะหวั่นไหวกับโลกธรรม เขาสารเสริญเขาพอใจแล้วก็ยินดีเขาติดฉีดดินทาเราก็หวั่นไหวอย่างกรณีที่คุณใส่บาตแล้วไม่สบายใจเนี่ยนะก็แสดงว่าใจก็ยังหวั่นไหวตอ่ตอปฏิปิยาของภารูปนั้นซึ่งก็หมายความว่าเราก็อาจจะหวั่นไหวตอ่ตอปฏิปิยาของคนอื่นด้วยก็ได้เวลาเราทาเวลาเราเดินเดินเดิ น, น, นชิตาคติถ้าเราต้องการฝึกให้เราเนี่ยไม่หวั่นไหวตอ่อ ความรู้สึกหรือสายตาของคนอื่นนะเราก็ลองฝึกกับฝึกกับท่านดูคือท่านจะท่านจะว่าไงเราก็ไม่หวั่นไหวอันนี้เป็นการฝึกฝึกให้ใจเนี่ยไม่หวั่นไหวกับโลกธรรมนะแต่ถ้าการที่คุณไม่ใส่บาต ท, ท่านก็ไม่ได้เสียหายไหนตมากําลังพูดว่าเนี่ยถ้าจะลองฝึกแบบนี้ดูก็ได้ใช่ไหมเพราะการทําความดีหลายครั้งเนี่ยบางคนเขาก็ไม่ได้ยินดีด้วย บางค ก, ก็ไม่เข้าใจเราทำงานดีแต่ว่ามีคนตำหนิเราอันนี้ธรรมดามากถ้าเรายังห ว, วั่นไหวต่อโลกาภิราลเราก็ทุกข์แต่ถ้าเราไม่ห ว, วั่นไหวเราก็ยังทำความดีแล้วของเราเรือยไป อ, อันนี้ถือว่าเป็นแค่อุบายในการฝึกใจจริงๆก็รับมันสุกพรานเนี่ยนะ เรียกร้องไม่ได้ถ้าไม่ใช่ญาณไม่ใช่บว า, ารนาบวรณาหมายถึงว่าคนที่อนุญาตให้ให้ขอได้ถ้าเราถ้าถ้าเราไม่ใช่ญาณไม่ใช่บวรณาถ้าเราถวายท่านก็ต้องรัถ้าเป็นสิ่งสมควรแก่สมณะจะไปเรียกร้องไม่ได้เพราะพระทต้องอยู่ง่ายกินง่ายพระต้องอยู่ด้วยศรัทธาของชาวบ้านถ้าท่านอยากได้ของดีก็ทําตัวให้น่าศรัทธาเด็กก็ได้เองใช่ไหมไม่ต้องเรียกร้อง เพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ธรรมในแง่วินัยก็ไม่ถูกอยู่แล้วละ่ะปอพานเนี่ยในในแง่วินัยก็คือไม่เร็กร้องต้องอยู่ง่ายกินง่ายและในแง่ธรรมมากคือว่าต้องอต้องยอมรับแล้วก็เรียกว่าต้องชื่นชมด้วยอนุโมทนาสิ่งที่ญาติโยมถวาย เาเข้าใ